มาจากที่ไหนกันเนี่ยห้าวคนนี้โองจำหนูไม่ได้อะตาเจ็บแล้วค่ะมาเป็นข้อนลม่ะไปหาหมอจริเปิดไม่ได้อะอยู่แถวนี้เลยมองไม่ค่อยเห็นาครับอยู่แถวไหนอยู่พัทยาเลยอยู่ตรงสนามกอล์ฟนี่นี่เพื่อนมาจากกรุงเทพ เจ้าของโรงเรียนบริบาลบริบาลบริบาลนี้ก็เป็นผู้ช่วยพยาบาลนีะนี่ไม่เคยมาค่ะหลวงพ่อดักสูนี้ใช้เวลากี่เดือนหกเดือนเดือนแล้วต้องมีวุฒิเท่าไหร่มอหกม่อหก ทำรัฐบาลเขารับรองวิทยฐานะอะไรหรือเปล่ารับรองเลยจบ6กเดือนก็ไปทำงานได้ทำโรงพยาบาลคลินิกช่วยหมอช่วยพยาบาลเป็นผู้ช่วยหมอฉีดยาได้ป่มวไม่ได้ทาแผลได้นมิ่มทาแผลทำมือต้นได้ อส่วนใหญ่เกี่ยวกับการทำความสะอาดออทําความสะอาดอะไรแผลเป็นเป็นก่อนที่หมอจะ<ม>ทำการรวมท้ายก็เป็นพื้นฐานเขาก่อนต้องเรียนอะไรบ้างอ่ะหกเดือนนี้มีต้องเรียนวิชาอะไรบ้างก็อาจะเป็นศัพแพทย์ทั่วไปค่แล้วก็ว่าัฒนธรนมด้านอนี้ค่ะเหยื่อเลื่อนไม่ได้นะไม่ได้ อยากจะรู้อะไรอป่ะมาวันนี้อยากจะหม่ถามคนเมื่อกี้คนเด็กที่โรงเรียนบริบาลเนี่ยอยากอยากจะรู้อะไรป่ะอยากจะทราบอะไรเรายังอยากจะทราบเกี่ยวเรื่องโรงเรียนนไง ธรรม ะ, ะธรรมะแปลว่าคาสอนของพระพุทธเจ้าที่เราต้องมาหาธรรมะเพราะว่าเราไม่มีธรรมะเหมือนกับเด็กที่ไปเรียนบริบาลนี้เอาไปเรียนเพราะเขาไม่รู้วิธีดูแลรักษาช่วยเหลือพยาบาลช่วยเหลือคนไข้เขาก็ต้องไปเรียน รรู้แล้วเดี๋ยวเขาก็สามารถไปทำประโยชน์ได้ความรู้ที่พระพุทธเจ้าสอนก็เป็นความรู้ที่จะทำให้พวกเราเอามาใช้ประโยชน์กับตัวเราเองทำให้เรามีความสุขมากขึ้นทำให้เรามีความทุกข์น้อยลงอันนี้คือคำสอนของพระพุทธเจ้า เป้าหมายหรือผลของการสอนก็คือทําให้เราฉลาดขึ้นตอนนี้เรายังไม่ฉลาดมากฉลาดน้อยเพราะเรายังมีความทุกข์กันอยู่ยังร้องโหยร้องไห้ยังเสียใจยังเศร้าสร้อยงอยเอวยังว้าเวเพราะว่าเราไม่ฉลาด เราโง่เราเป็นผู้ทำตัวเราเองโดยที่เราไม่รู้ว่าเวลาเราเสียใจนี่ไม่ใช่คนอื่นมาทำให้เราเสียใจเราตัวเราเนี่ยแหละเป็นตัวทำให้เราเสียใจเองแต่เรากลับไปคิดว่าเป็นคนอื่นคนอื่นเข้ามาด่าเราเข้ามาโกงเรา เ, เราก็เสียใจอันจริง ความเสียใจไม่ได้เกิดจากการด่าของผู้อื่นการโกงของผู้อื่นเกิดจากเราเองเกิดจากความอยากของเราเราอยากให้เขาไม่โกงเราพอเขาโกงเราเราก็เสียใจเราไม่อยากให้เขาด่าเราพอเขาด่าเราเราก็เสียใจอันนี้แหละเป็น ความรู้ที่พวกเรากลับไม่รู้กันอยู่กับตัวเราอยู่ในตัวเราเรากลับไปโทษคนอื่นโทษไปโทษคนที่เ้ามาด่าเราไปโทษคนที่เขามาโกงเราไม่โทษตัวเราเองว่าเราไปอยากให้เขาไม่โกงเราไม่ไม่ด่าเราถ้าสมมติว่าเราอยากให้เขาโกงเราเราก็คงจะดีใจ เราจะได้สมใจอยากให้เขาด่าเราพอเขาด่าเราเราก็จะดีใจเพราะอะไรก็เพราะเวลาใครเ็ชมเราเราทำไมดีใจเพราะเราอยากให้เขาชมเราใช่ไหมเวลาใครเขาให้เงินเราเราก็ดีใจเพราะเราอยากให้เขาให้เงินเราแต่พอเขาเอาเงินเราไปเรากลับเสียใจ เพราะเราไม่อยากให้เขาเอาเงินเราไปความทุกข์ของเราจึงไม่ได้เกิดจากคนอื่นเกิดจากตัวเราเองเกิดจากความอยากของเราอยากไม่เสียสิ่งที่เรารักไปเรารักอะไรเราอยากจะให้เสียไปหรือเปล่ามีแฟนอยากจะให้แฟนไปเป็นแฟนของคนอื่นหรือเปล่ามีลูกอยากจะให้ลูกไป ไปอยู่กับคนอื่นหรือเปล่าเราไม่อยากใช่ไหมเวลาเขาจากเราเราถึงเสียใจกันแต่ถ้าเราอยากให้เขาไปเราดีใจไหมเช่นถ้าสามีหรือแฟนเราไม่ดีกินเหล้าเมายาทุบตีเราเนี่ยเวลาเขาไปนี่เราเสียใจไหมไม่เสียใจเราดีใจเพราะอะไรเพราะเราอยากให้เขาไปอ ดะนั้นความดีใจความเสียใจไม่ได้เกิดจากการไปการมาของคนอนนื่นเกิดจากความอยากของเราถ้าอยากให้เขาอยู่แล้วเขาไปเราก็เสียใจถ้าอยากให้เขาไปแล้วเขาอยู่เราก็เสียใจอีกเราต้องมาแก้ปัญหาที่ความอยากเรานี้มาทําใจของเราอย่าให้มีความอยาก อยากให้เขาอยู่ก็ไม่มีอยากให้เขาไปก็ไม่มีก็สบายเขาอยู่ก็สบายไม่เดือดร้อนเขาไปเราก็สบายไม่เดือดร้อนนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีใครรู้ว่าความทุกข์ของเรานี้เกิดจากความอยากของเรานี่เองอยากให้ก็เป็นอย่างนั้นอยากให้ก็เป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นก็เสียใจ อยากให้เขาไปเขาไม่ไปก็เสียใจอยากให้เขาอยู่เขาไม่อยู่ก็เสียใจยเห็นโทษของความอยากพยายามมาอยู่แบบไม่มีความอยากดีกว่าอยู่กับความจริงความจริงตอนนี้เขาเป็นอย่างไรก็เอาอย่างนั้นเขาอยู่ก็ให้เขาอยู่ไปเขาไปก็ให้เขาไป ไปแล้วมาร้องไห้เขาจะกลับมาหรือเปล่ปาจากการร้องไห้ของเราเขาก็ไม่กลับคนตายไปแล้วลองไปร้องไห้ที่หน้าศพดูเลยร้องไปจนมันตายเขาก็ไม่กลับมาไปร้องทำไมเสียเวลาคนที่จะมาหยุดความอยากดีกว่าหยุดความอยากให้เขากลับมาแล้วเราก็จะไม่ต้องเสียใจ แต่ใจของเรานี่มันมีความอยากตลอด24ชั่วโมงเลยมีความอยากกับทุกเรื่องเลยใช่ไหมเจออะไรนี่อยากนะเห็นอะไรก็อยากนะได้ยินอะไรก็อยากนะถ้าชอบก็อยากได้ถ้าไม่ชอบก็อยากให้มันหายไปเราก็เลยวุ่นวายอยู่กับไอ้ของต่างๆที่เราเจอเนะพราะเราจะต้องเจอของที่เราชอบและของที่เราไม่ชอบนะ เวลาเจอของที่ชอบเราก็ใจสั่นอยากจะได้เวลาเจอของไม่ชอบกใจก็สั่นใจก็ทุกข์อยากจะให้มันหายไปเนี่ยชีวิตของเราจึงมีแต่ความทุกข์ตลอดเวลาโดยที่เราไม่รู้สึกตัวว่าเรากําลังทุกข์กั น, นที่เราวิ่งหาอะไรกันนี่ก็ทุกข์แล้วเพราะอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องหาหนูน่นหานี่ต้องมีนั่นมีนี่น ถ้าเราไม่มีร่างกายนี้เราจะสบายกว่าเยอะเลยใช่ไหมมีร่างกายก็ต้องไปหาข้าวหาน้ําหาเสื้อผ้าหาอะไรต่างๆมาให้ร่างกายแล้วทําไมเราถึงมีร่างกายกันรู้ไหมว่าเรามามีร่างกายกันได้อย่างไรพระพุทธเจ้ารู้แต่พวกเราก็ไม่รู้เอง ก, การที่เรามีร่างกายกันก็เพราะว่า เราอยากดูอยากดูรูปอยากฟังเสียงอยากดูรูปไหมถ่ายรูปกันไว้ทำไมเนี่ยถ่ายไว้ดูใช่ไมอัดเสียงไว้ทำไมอัดเสียงไว้ฟังใช่ไมเนี่ยเรามีความอยากดูรูปอยากฟังเสียงอยากลิ้มรสเห็นไหมเห็นขนมเห็นกาแฟนี่ก็อยากจะลิ้มรสของขนมของกาแฟอยากดมกลิ่น กลิ่นของกาแฟกลิ่นของน้ำหอมกลิ่นอะไรต่างๆพร<ๆ>ูาจ้ญญาบอกเนี่ยความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ย่ะเป็นตัวที่ทำให้เราต้องมามีร่างกายกันเป็นเหตุที่ทำให้พวกเราต้องมาเกิดกันแต่พอมาเกิดแล้วทีนี้ก็ต้องทุกข์ก็เลยทุกข์ตั้งแต่วันออกมาจากท้องแม่ ออกมาจากท้องแม่ก็ร้องก่อนนะมีเด็กคนไหนไม่หวเราะไม่เวลาออกมาจากท้องแม่นเนี่ยออกมาทุกคนได้ยินแต่เสียงร้องนะนะนะนะทุกตั้งแต่ออกมาแล้วพอออกมาต้องหายใจเองแล้วเวลาอยู่ในท้องแม่ไม่ต้องหายใจสบายแม่หายใจให้เวลาหิวแม่ก็มีอาหารให้ส่งอาหารไปทางสายสายสาย ส, ายสะดสือเนี่ย สาสะดือเนี่ยเป็นที่ส่งอาหารส่งอะไรให้เวลาอยู่ในท้องแม่ก็ไม่ต้องถ่ายไม่ต้องเยี่ยวดูถ่ายก็ถ่ายผ่านทางสายสะดือนะสบายเวลาอยู่ในท้องแม่ตอนนั้นยังไม่เหมือนกับยังไม่มีร่างกายแต่พอออกมาจากท้องแม่แล้วทีนี้ต้องรับผิดชอบเองแล้วเนี่ยต้องหายใจเองละ ต้องกินเองนะเดี๋ยวก็ร้องไห้เพราะหิวเดี๋ยวก็ร้องไห้เพราะปวดปวดท้องปวดที่เนี่ยทุกมาตั้งแต่ออกมาจากท้องแม่เนี่ยเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเนี่ยการมาเกิดเป็นทุกข์แล้วก็ต้องมาทุกข์กับการเลี้ยงดูร่างกายแล้วก็ต้อง มาทุกเวลามันแก่เวลามันเจ็บเวลามันตายทุกเพราะอะไรทุกเพราะเราไม่ชอบเราไม่อยากแก่กันใช่ไหมมีใครอยากแก่ไหมเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมีใครอยากเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเปล่าเวลาตายมีใครอยากตายกันหรือเปล่าเนี่ยความอยากทนะั้งนั้นถ้าไม่อยากแก่จะไม่ทุกเวลาแก่ ถ้าไม่อยากไม่แก่จะไม่ทุกข์ถ้าอยากแก่จะดีใจแต่ตอนเด็กๆทำไมอยากแก่กันอนะ่ะตอนเด็กๆนี่อยากจะโตเร็วๆใช่ไห ม, มเห็นคนอื่น<ม>เห็นผู้ใหญ่เขาไปไหนมาไหนทําอะไรได้เราก็อยากจะเป็นเหมือนผู้ใหญ่เขาพอพออยากเราได้สิ่งที่เราอยากเราก็จะดีใจตอนเป็นเด็กอยากจะโตกันพอโตก็ดีใจ ได้เป็นหนุ่มได้เป็นสาวกันดีใจกันแต่ทาไมพอถึงเวลาแก่ทาไมไม่ไมปดีใจมันก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเวลาร่างกายจเจริญเติบโตดีใจแต่พอเวลาร่างกายแก่กับเสียใจเพราะอะไรเพราะเราไม่อยากแก่ถ้าเราอยากอยากแก่เหมือนกับตอนที่เราอยากโตนี้เราก็จะดีใจ ตอนนี้แก่แล้วตอนนี้ได้ผมหงอกแล้วอผมหงอกนี้เท่กว่าผมขาวผมดําำผมดํากับผมขาวมันต่างกันตรงไหนทําไมต้องไปย้อมมันด้วยทําไมนี้ย้อมสีกันเยอะแยะไปหมดทาไมย้อมกัได้สีเขียวสีแดงสีน้ําเงินสีอะไรย้อมกันได้สีธรรมาชาติไม่ไม่ชอบกันสีขาวสีไม่ต้องย้อม ย้อมสีแล้วก็เดี๋ยวก็เป็นโรคมาเองผิวหนังองีกเนี่ยนี่คือปัญหาต่างๆที่เราสร้างกันขึ้นมาเองสร้างมาด้วยความอยากของเราได้แล้วก็ไม่พอได้แล้วก็อยากจะได้อีกได้คืบก็อยากจะได้สอกได้ศอกก็อยากจะได้ว่า ตอนเด็กๆได้เงินร้อยบาทก็ดีใจโตขึ้นหน่อยต้องห้าร้อยแล้วถึงจะดีใจโตขึ้นมาหน่อยต้องพันหนึ่งแล้วถึงจะดีใจอย่างนี้เท่าไหร่ถึงจะดีใจล้านหนึ่งดีใ จ, นหนใจมหรือยังไม่ดีใจบางทีล้านหนึ่งก็ไม่ดีใจถ้ามีล้านหนึ่งแล้วได้ล้านหนึ่งก็ไม่ดีใจต้องได้สักสิบล้านนี่ได้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันที่จะพอ แล้วพอไม่ได้ก็เสียใจคนสองคนนี้คนหนึ่งดีใจคนสองคนมีเงินเท่ากันมีเงินล้านหนึ่งเท่ากันคนหนึ่งดีใจคนหนึ่งเสียใจเพราะอะไรคนดีใจเพราะว่ามีแสนหนึ่งแล้วได้เพิ่มมาเป็นล้านหนึ่งเขาก็ดีใจแต่คนที่เสียใจเพราะาเขามีสิบล้านแล้วก็เหลือล้านเดียวเขาก็เสียใจ แต่มีเงินเท่ากันใช่ไหมคนสองคนมีเงินเท่ากันหรือเปล่ามีหนึ่งล้านเท่ากันทําไมคนหนึ่งดีใจทําไมคนหนึ่งเสียใจเพราะมีความอยากคนอยากได้ล้านก็ดีใจพอได้ล้านหนึ่งก็ดีใจคนอยากได้สิบล้านคนมีสิบล้านก็เสียใจเพราะไม่อยากได้ล้านหนึ่งอยากได้สิบล้านหรืออยากได้มากกว่าสิบล้านขึ้นไปถึงจะดีใจ นี่แหละนี่พูดในชี้ให้เห็นโทษของความอยากต่างๆที่มันทําให้เราดีใจเสีใใยใจเป็นเป็นบ้ากันก็เพราะความอยากของเราเนี่ยคนที่ซึมเศร้านี้ซึมเศร้าเพราะอะไรอยากอะไรแล้วก็ไม่ได้เลยไม่มีความสุขนความสุขเกิดจากการที่เราได้สิ่งที่เราอยากได้ใช่ไหมเราอยากได้แฟนพอได้แฟนก็ดีใจอยากได้เงินก็ดีใจมีความสุข แต่ถ้าอยากได้แฟนแล้วไม่ได้สักทีคนอื่นก็มีแฟนกันเราไม่มีแฟนเลยก็เสียใจเศร้าถ้าเสียใจมากๆก็กลายเป็นคนซึมเศร้าไปอยากได้อะไรก็ไม่ได้ไม่มีความสุขกับชีวิตเลยมีแต่มีแต่ความทารมานใจเวลาเกิดความอยากมันมันสบายใจหรือเปล่ามันหงุดหงิดลำคานใจ มันอารมณ์ไม่ดีเวลาเกิดความอยากขึ้นมาแล้วถ้าไม่ได้ไม่ได้ไไดังใจอยากมันก็ยิ่งทำให้หงุดหงิดยิ่งอาคานใจจนกลายเป็นโรคซึมเศร้าขึ้นมาบางคนถังคิดเก่วับค่าตัวตายนะเพราะอยู่ไปก็ไม่มีความสุขไม่รู้อยู่ไปทำไมอยากได้เหมือนกับคนอื่นก็มีก็ไม่ได้ไม่ได้เหมือนเขามีนี่ละคือปัญหา โลกนี้ต่อให้หากันมาได้มากน้อยเท่าไหร่ก็ต่างดูประเทศที่เขาเจริญก็มีข้าวของเงินทองมากมายเขาก็มีคนทุกข์มากมายมีคนซึมเศร้ามากมายมีคนเป็นโรคประสาทกันมากมายก็เพราะว่าความอยากของเขาเนี่ยเอาไม่ได้ตามที่เขาอยากได้เขาก็เสียใจ พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราหยุดความอยากได้เราจะมีความสุขเราจะไม่มีความทุกข์ถ้าเราเฉยๆได้อยากได้ก็ไม่มีอยากไม่ได้ก็ไม่มีคือเอาอยัางไงก็ได้อย่างนี้ดีกว่าอยู่แบบเอาอยัางไงก็ได้มียังไงก็เอาอย่างนั้นมีแล้วหนึ่งก็เอาอย่างนั้นมีแสนก็เอาอย่างนั้น เวลามีแสนเราไม่ไม่พอก็มองคนที่เขามีหมื่นดูทําไมเขาเขาอยู่ได้เขามีหมื่นทําไมเขาอยู่ได้เรามีแสนทําไมเราจะอยู่ไม่ได้เพราะเราใช้มากกว่าเขาทานั้นเองใช่ไหมเราก็ลดการใช้ให้มันน้อยลงไปเลมันก็อยู่ได้มีหมื่นก็ดูขอทานทําไมขอทานมันอยู่ได้เขาเพราะเขาทําใจได้เขาไม่มีเขารู้ว่าเขาไม่ได้เขาก็เลยต้องทําใจ ท ำ, ทำใจมีเท่านี้ก็เอาเท่านี้แหละวะอัอ น, นี้แหละคือคําสอนของพระพุทธเจ้าสรุปก็คือให้หัดทาใจกันอย่าไปอยากกันมีอะไรก็เอากับมันอย่างนั้นแหละได้อะไรก็เอามันอย่างนั้นก็จะบอกให้ยินดีกับสิ่งที่ได้รับให้พอใจกับสิ่งที่มีแล้วชีวิตจะมีความสุข อันนี้เรียกว่าสันโดดคำว่าสันโดดแปลว่ายินดีตามมีตามเกิดมีเท่านี้ก็ยินดีดีใจกับมันไปก็แฮปปี้แต่ถ้าไม่ยินดีก็จะเสียใจนี่แหละคือคําสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จกักว่าความสุขความทุกข์ของเรานี้เกิดจากความอยากของเรา นี่เถ้าไม่มีความอยากแล้ว เ, เราจะสุขไปตลอดจะไม่ทุกข์กับอะไรจะไม่ทุกข์กับสิ่งที่เราชอบจะไม่ทุกข์กับสิ่งที่เราไม่ชอบเพราะเราจะอยู่กับมันได้รับกับมันได้รับกับความแก่ได้เราไม่ชอบความแก่แต่ต้องเจอความแก่เวลาเจอความแก่เราก็อยู่กับมันได้ เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็อยู่กับมันได้เวลาตายก็อยู่กับมันได้ไม่เป็นปัญหาถ้าเราไม่มีความอยากไม่ตายไม่แก่ไม่เจ็บตอนนี้เรายังอยากก็อยู่แล้วเรายังไม่รู้จักวิธีหยุดความอยากกันเราจึงต้องมานอกจากรู้แล้วว่าความอยากเป็นต้นเหตุที่ทำให้เราทุกข์กัน เรายังต้องมาศึกษากว่าแล้วทำยังไงถึงเราจะอยู่แบบไม่อยากได้อยู่แบบไม่มีความอยากพระพุทธเจ้าบอกว่ า, วาก็ต้องมาทวนกระแสของความอยากย้อนความอยากเวลามันอยากก็อย่าไปทำตามความอยากทำทวนกระแสมันเช่นอยากจะเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยของไม่จำเป็น ที่ต้องซื้อเช่นกระเป๋าใบใหม่รองเท้าคู่ใหม่กระโปรงชุดใหม่ก็เอาเงินที่จะไปซื้อของพวกนี้ไปให้คนอื่นนะดัดทิสายมันมึงอยากใช้เงินของกูเหรอใช้ได้แต่กูไม่ใช้ตามใจมึงกูจะใช้ตามใจกูคือเอาไปใช้ไปทำบุญอเอาไปทำบุญทาทานแล้ว ใจจะสบายกว่าเอาเงินไปซื้อของที่เราอยากซื้อถ้าซื้อของที่เราอยากซื้อก็ดีใจเดียวเดียวดีใจทองที่ได้ซื้อพอซื้อมาแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้เราดีใจอีกละยังดูของที่เราซื้อมาต้องเยอะแยะเห็นมาแล้วดีใจหมเฉยเฉยแต่ถ้าเห็นของในร้านนี่ดีใจหัหยถ้าได้มานี่ย อะไรพอมันไม่ได้เป็นของเรานี่เราอยากได้พออยากพอได้มาก็ดีใจแต่พอมาเป็นของเราแล้วไม่ดีใจแล้วเฉยๆแล้วเนีย่ยมันหลอกเราหลอกให้เราดีใจเห็นถ้าเราไม่ฝืนความอยากมันก็จะหลอกให้เราอยากอยู่เรื่อยๆพอซื้อมาแล้วดีใจวันเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเห็นของใหม่ก็อยากได้ขึ้นหมา แ, แล้วถ้าไม่ได้ก็เสียใจ งันให้เอาเงินที่เราอยากจะไปซื้อของตามความอยากตา่ตางๆเอาไปทำบุญนะทำบุญทำทานให้คนอื่นช่วยเหลือคนอื่นให้คนอื่นเขามีความสุขพอเห็นเราได้ช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนคนไม่มีเสื้อผ้าแทนที่ซื้อเสื้อผ้าเราก็ซื้อเสื้อผ้าให้คนที่เขาไม่มีใส่แล้วเราจะมีความสุขมากกว่า ความสุขที่เราจะได้จากการซื้อเสื้อผ้ามาใส่เองแล้วต่อไปเราจะไม่มีความอยากจะซื้อเสื้อผ้าให้เราใส่ถ้าไม่มีความจำเป็นถ้ามันไม่ขาดถ้ามันไม่พอจะไม่ต้องมันจะไม่คิดถึงการที่จะซื้อเสื้อผ้ามาใส่เองนี่คือวิธีแก้ความอยากถ้าอยากซื้อของอยากจะไปเที่ยวนี่ เอาเงินที่จะไปซื้อของซื้อของฟุ่มเฟือยเอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้เอาไปาทําบุญทําทานทําที่วัดก็ได้ทําที่โรงเรียนก็ได้ทําที่โรงพยาบาลก็ได้ทําที่ไหนเขามีความเดือดร้อนทุกข์ยากลาบากเวลาเราได้ช่วยเหลือคนแล้วมันทําให้มีความสุขใจขึ้นมาความสุขใจที่เกิดจากการได้ช่วยเหลือผู้อื่นนี่ยมันสุขมากกว่าการที่เราได้ไป ทำอะไรให้กับตัวเราเองแล้วต่อไปความอยากที่จะทำอะไรให้กับตัวเราเองนี่มันจะน้อยลงไปความอยากจะซื้อข้าวของฟุ่มเฟือยความอยากไปเที่ยวมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆนี่คือข้อที่หนึ่งถ้าเรามีเงิน้เราอยากจะใช้เงินแบบไม่มีเหตุมีผลใช้เงินตามความอยากก็เอาไปทำบุญ แล้วต่อไปเราจะเลิกใช้เงินตามความอยากเพราะเราแชื่เห็นว่าถ้าจะใช้เงินเอาเงินไปทําบุญดีกว่ามีความสุขมากกว่ามีความอิ่มใจมากกว่าจะไม่มีความหิวตามมาเหมือนกับการเอาเงินไปใช้ตามความอยากถ้าใช้เงินตามความอยากแล้วเดี๋ยวหิวเดี๋ยวอยากใช้อีกใช่ไหมไปเที่ยววันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อยากไปเที่ยวใหม่ ซื้อกระเป๋าซื้อลองเท้าวันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เห็นกระเป๋ารองเท้าคู่ใหม่ในร้านก็อยากจะซื้อใหม่อีกแล้วถ้าไม่ได้ซื้อก็หงุดหงิดลำคาญใจแต่ถ้าเอาเงินไปทําบุญแล้วนี่จะอิ่มใจจะสุขใจถ้าไม่มีเงินทําบุญก็ไม่ก็ไม่เดือดร้อนไม่มีความอยากจะทําถ้าไม่ได้ทําบุญก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้ามี ถ้าอยากจะไปซื้อของก็เอาไปทำบุญอย่างนี้ก็จะทำให้เราตัดความอยากใช้เงินแบบสู้รุ่ยสูร่ายตัดความอยากใช้เงินแบบไม่มีเหตุมีผลได้เงินทองนี้มันมีหน้าที่อยู่อันเดียวเท่านั้นนหะคือเอามาเลี้ยงดูร่างกายเราร่างกายเรายัางต้องมีอาหารมีเครื่องนุ่งหม่มมียารักษาโรคมีที่อยู่อาศัย เราก็ต้องหาเงินมาเพื่อที่จะมาซื้อปัจจัยสีน่นี่แต่ถ้าเรามีปัจจัยสี่พอแล้วเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีเงินมากถ้าอยากจะถ้ามีเงินมากอยากจะไปใช้แบบตามความอยากก็เอาไปทำบุญแทนถ้าไม่เอาไปทำบุญก็เก็บเอาไว้ก็ได้เก็บไว้เผื่อวันข้างหน้าเผื่อวันข้างหน้าไม่มีรายได้ เจนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยทำงานไม่ได้เราก็ยังจะมีเงินที่เราเก็บไว้นี้ไว้สาหรับเลี้ยงดูร่างกายของเราได้นี่คือหน้าที่ของเงินทองหาเงินทองนี้มาเพื่อใหเอามาใช้เลี้ยงดูร่างกายเท่านั้นเองแล้วก็เก็บสํารองไว้เผื่อวันข้างหน้าเผื่อวันข้างหน้าเราไม่มีรายได้เราก็จะได้มีเงินสํารองเพราะต่อไปเราต้องแก่ เวลาแกเราหาเงินไม่ได้นะก็จะได้มีเงินที่เราเก็บสะสมอะไนี้เอามาใช้ต่อได้หรือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะได้มีเงินนี้เอามารักษาร่างกายได้อย่าเอาเงินไปใช้ตามความอยากอย่าเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆเพราะมันได้มาแล้วมันก็ไม่มีความหมายอะไรเวลาขาดเงินเอาของผู้นี้ไปขายก็ขายไม่ได้กี่ตัง ซื้อมาร้อยหนึ่งเอาไปขายอาจจะขายได้แค่สิบบาทใช่ซื้อมาเงินล้อยบาทเก็บไว้ดีกว่าเก็บไว้เผื่อวันข้างหน้า<ม>เกิดเราไม่สบายพิกลพิการทำงานหาเงินทองไม่ได้เราจะได้มีเงินทองที่เราหาได้ในวันที่เราเก็บไว้นี้มาดูแลเราต่อไป อันนี้เรื่องของความอยากที่เกี่ยวกับเงินทองกําจัดการใช้ความอยากเงินทองตามความอยากเพราะใช้เงินทองตามความอยากแล้วมีเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้เีย่ยทุกวันเนี้ยคนเราที่ไม่พอเงินทองไม่พอใช้กันเพราะว่ามันใช้มากกว่าที่หาได้กันแล้วของที่ซื้อมาก็ไม่จําเป็นที่ต้องมีกันบุหรี่ต้องสูบไหมกาแฟต้องดื่มไหมเหล้าต้องกินไหม เครื่องสมอางนี้ต้องใช่ไหมของอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้เราต้องมาทุกข์ก่อนเพราะเราจะต้องลิ้นรนหาเงินมาใช้ของฟุ่มเฟือยต่างๆเนี่ยแต่ถ้าเราใช้ใช้เพียงปัจจัยสีเนี่ยรับรองได้ว่าเรื่องเงินทองเราจะไม่เดือดร้อนเงินทองจะไม่ขาดมือจะเหลือใช้ ที่มันไม่พอใช้มันไปนซื้อของที่มันไม่จำเป็นจะต้องใช้กันไปเที่ยวทีหนึ่งก็หมดไปกี่ตังค์เนี่ยออกไปเที่ยวทีนี้ก็หมดไปกี่ตังค์ไปซื้อของมาดูมาเล่นกันเะใมซื้อทีวีมาดูซื้อดีวีดี DVD, ซื้ออะไรมาดูกันเงินทองนี่หมดไปกับของพวกนี้มันจึงไม่พอใช้มันเลยทุกข์กัน เวลาเงินทองขาดมือก็ทุกข์กันเดือดร้อนกันเพราะเราไม่รู้จักใช้เงินทองที่จะทำให้เราไม่ทุกข์วิธีที่จะใช้เงินทองที่ทำให้เราไม่ทุกข์คือใช้กับสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นสิ่งที่จำเป็นก็คือเนี่ยเลี้ยงดูร่างกายแล้วเราจะมีเงินเหลือเฟือเราจะกลายเป็นคนน่ํารวยขึ้นมา ที่เรายากจนกันที่เงินทองไม่พอใช้กันเพราะเราใช้เงินแบบไม่มีเหตุเปผลใช้ตามความอยากแล้วความอยากมันก็ไม่ได้หายไปเวลาใช้ตามความอยากความอยากมันจะกลับมาอยู่เรื่อยๆได้ของอันนี้แล้วเดี๋ยวก็อยากได้อันนั้นต่อได้อันนั้นก็อยากได้โน่นต่อได้มาเท่าไหร่ก็ไม่พอ แล้วพอไม่มีเงินจะซื้อก็เสียใจทุกข์ใจขึ้นไหมานะนี่คือวิธีที่จะทําให้เรามีความทุกข์น้อยลงเกี่ยวกับเรื่องเงินทองต้องหักหักห้ามใจไว้อย่าไปใช้ของตามความอยากจะไปใช้เงินตามความอยากเวลาอยากได้อะไรก็ถามว่าจําเป็นจะต้องมีไหมถ้าไม่มีมันแล้วจะตายไหม ถ้าไม่ตายก็แสดงว่าไม่จําเป็นถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปซื้อมันมาอาหารหมดนี่ต้องซื้ออาหารมานี่จําเป็นไหะจําเป็นเพราะถ้าไม่มีอาหารกินเดี๋ยวก็ร่างกายก็ตายได้ก็ต้องซื้อมาอยากได้กระเป๋าอยากได้รองเท้าอยากได้เสื้อผ้าใหม่จําเป็นต้องซื้อไหมของเก่าไม่มีหรือเปล่าของเก่าใช้ได้หรือเปล่า ของเก่ายังใช้ได้ดีอยู่ไปซื้อมาทำไมซื้อมาแล้วของเก่าก็เลยกลายเป็นของไม่มีคุณค่าไปไม่มีประโยชน์ไปแล้วก็ต้องเสียเงินไปเสียกระเป๋าไปเสียกระเป๋ากระเป๋าใบเก่าไปแล้วยังต้องเสียเงินเพื่อจะได้กระเป๋าใบใหม่มาแล้วเดี๋ยวกระเป๋าใบใหม่มันก็กลายเป็นกระเป๋าใบเก่าไปเดี๋ยวไปเห็นกระเป๋าใบใหม่ก็อยากจะได้อีก ถ้าใช้เงินแบบนี้แล้วเดือดร้อนแนะ่ๆไม่ช้าก็เลยเดี๋ยวต้องเป็นหนี้เป็นสินเวลาเห็นกระเป๋ารูดบัตรกันใหญ่เลยรูดกันรูดกันแล้วพอสิ้นเดือนเขาส่งเขาส่งบิลมาเก็บอ๊้ยใช้ไปขนาดนี้เหรอเวลาใช้มันไม่คิดนะมันไม่คิดว่าเท่าไหร่เวลาเห็นบิลนนะมันถึงจะคิดออกโหใช้ไปต้องหลายแสน นี่แหละคือวิธีหนึ่งที่พระเจ้าสอนให้พวกเร า, เาลดความทุกข์ต่างๆที่เรามีกันอยู่นี้ให้น้อยลงไปโดยการไม่ใช้เงินตามความอยากใช้เงินตามความจําเป็นหรือถ้าอยากจะใช้เงินก็เอาไปทําบุญทําบุญนี่ก็จําเป็นเหมือนกันเพราะบุญนี้มันเป็นเหมือนอาหารเป็นอาหารของใจ ที่ใจเราไม่อิ่มก็เพราะว่าเราไม่ได้ทำบุญกันที่ใจเราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ก็เพราะว่าเราไม่ได้ให้อาหารใจเราให้ยาเสพติดกับใจเวลาเราไปเที่ยวเวลาเราซื้อของฟุ่งเฟือยนี่เหมือนซื้อยาเหมือนกับให้ยาเสษติดถ้าเราเสพ ย, ยาเสพติดเราไม่กินอาหารร่างกายจะเป็นยงไงสู้ผอมเนียคนติดยาเนี่ยอ้วนหรือเปล่าไม่มีอ้วน มีแต่ผอมเพราะแทนที่จะเอาเงินไปซื้ออาหารมาเขาเอาเงินไปซื้อยาเสพติดกันชั้นใดใจเราก็ผอมร่างกายเราอ้วนแต่ใจเราผอมเพราะใจเราไม่ได้อาหารเวลาเราหิวเวลาใจหิวแล้วก็ซื้ออาหารให้ร่างกายกินร่างกายมันก็อ้วนเอาอ้วนเอาเวลาอยากกินไม่ได้กินเพราะจำเป็นจะต้องกินกินเพราะความอยากมันก็เป็นความหิวของใจ ถ้าใจหิวก็ต้องเอาเงินที่จะไปซื้ออาหารให้ร่างกายนี้เอาไปทำบุญแทนถ้าร่างกายมีอาหารพอเพียงแล้วถ้าน้ำหนักเกินแล้วก็แสดงว่าอย่าไปกินมันเวลาหิวเวลาอยากก็เอาเงินไปทำบุญเอาเงินไปเลียงเด็กกำพร้าซื้ออาหารให้เด็กกรรพาพร้าซื้ออาหารใส่บาตรให้พระไปแล้วใจจะอิ่มขึ้นมาใจจะอ้วนขึ้นมาบุญนี้จาเป็นสำหับใจ เราจะมีความสุขได้ก็เกิดจากการทำบุญทำทานจากการให้ความสุขแก่ผู้อื่นให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นถ้าเราอยากจะมีความสุขใจต้องทำบุญอย่าเอาความสุขใจจากการไปเที่ยวไปเล่นไปดูไปฟังไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆเพราะมันสุขแบบยาเสพติดสุขแบบนี้ไม่ดีเพราะมันติดมันจะต้องเสพอยู่เรื่อยๆ แล้วมันจะไม่มาทําบุญมันจะทําให้ใจเราสู้ผอมทําให้ใจเราหิวโหวยตายไปจะกลายเป็นเปรตเข้าใจไหมพวกที่เป็นเปรตก็พวกพวกที่ไม่เคยทําบุญเวลาตายไปใจมันหิวโหวยไม่มีอาหารเลยต้องมาเป็นเปรตเปรตมีจริงนะเพียงแต่เรามองไม่เห็นมันนั้นเองมันไม่มีรูปร่างหน้าตา ไอ้ที่เขาวาดให้เราเห็นนะมันเป็นเพียงแต่เป็นแต่ความจินตนาการเท่านั้นเองเปตมันมีความหิวโหวยมันก็เลยเป็นเหมือนกับคนที่มีปากเท่าดูเข็มท้องเท่าตุ่มกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มนะเพรากินได้น้อยปากเท่าดูเข็มมันยาวเข้าไปได้มากเท่าไหร่แล้วท้องมันเท่าขนาดตุ่มนี่แล้วเมื่มอไหร่มันจะเต็มสักทีนี่คือคลักษณะของความหิวโหวยของใจ เพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้อาหารมันไม่ได้ทำบุญมันได้ยาเสพติดเ่เวลาไปเที่ยวไปเล่นไปดูไปฟังเวลาเนี่ยเป็นการหายาเสพติดให้กับใจใจมันถึงหิวโหยอยู่ตลอดเวลาถ้าอยากจะให้ใจอิ่มต้องทำบุญนะทำบุญทำทานอันนี้ขั้นที่หนึน่งที่พวกเราควรที่จะมา ทำกันให้ได้แล้วรับรองได้ว่าความอยากจะใช้เงินฟุ่มเฟือยนี้จะหายไปแล้วใจเราจะมีความสุขมากขึ้นความทุกข์จะน้อยลงอยู่บ้านได้เวลาไม่ก็จะไม่มีความอยากไปไหนถ้าได้ทาบุญแล้วใจมันจะอิ่มทาบุญเสร็จก็กลับไปบ้านอยู่บ้านเฉยๆได้แต่ถ้าไม่ทาบุญนี่อยู่บ้านไม่ได้เดี๋ยวต้องออกจากบ้าน ออกไปดูไปฟังไปหาอะไรเสพหายาเสพติดคือรูปเสียงกิดรถมาเสพกันนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองวิธีที่จะทำให้ความทุกข์ใจเราน้อยลงก็คือเราต้องมาฝืนการอยากกระทำสิ่งที่เป็นทำให้เราทุกข์กันการกระทำอะไรที่ทำให้เราทุกข์กันก็คือการทำบาปเนี่ย เวลาเราทำบาปแล้วใจเราจะทุกข์ใจเราจะร้อนใจเราจะวุ่นวายเวลาไปรักทรัพย์ของคนอื่นนี่ใจวุ่นวายหรือใจใจร้อนหรือใจเย็นใจสงบหรือใจไม่สงบใจสุขหรือใจทุกข์เวลาไปทำบาปน้วมันทำให้ใจเราทุกข์เวลาไปฆ่าคนนี่เป็นไงฆ่าสัตว์นี่ใจจะไม่สบายไปรักทรัพย์นี่ไม่สบาย ไปประพฤติผิดประเวณีไปเป็นชู้กับคนอื่นเขาเนี่ยมันจะไม่สบายใจไปโกหกหลอกลวงก็ทําให้เราไม่สบายใจดื่มสุรายาเมามันก็ทําให้เราไม่มีสติที่จะยับยั้งเวลาที่จะคิดทําบาป ก, ก็จะหยุดไม่ได้นะเราจึงต้องมาหยุดก า, ารกระทำที่เป็นโทษที่ทําให้เราทุกข์กันถ้าเราอยากจะมีความทุกข์น้อยลงเราต้องมา ละการกระทำบาปห้าข้อนี้ให้ได้อย่าฆ่าสัตว์อย่าลักษัพอย่าประพฤติผิดประเวณีอย่าพูดปดอย่าดื่มสุรายาเมาคนที่มีศีลนี่จะมีความสุขกว่าคนที่ไม่มีศีลคนที่ทำบาปนี่จะทุกข์มากกว่าคนที่ไม่ได้ทำบาปเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะมีความทุกข์น้อยหนุนก็หยุดการกระทาบาป การกระทำบาปนี่ก็เกิ ด, กกดจากอะไรก็เกิดจากความอยากใช่ไหมอยากได้อยากได้นูน่นอยากได้นี่อยากได้เงินหาไม่ได้หาหาไม่ได้ก็เลยต้องไปขโมยเงินของคนอื่นเวลาไปขโมยเกิดเขาต่อสู้ก็ไปฆ่าเขาอีกเนี่ยแต่ถ้าเราไม่มีความอยากได้เงินเราก็จะไม่ต้องไปทํำบาป การที่เราไม่มีไม่มีความอยากได้เงินก็คือเราต้องไม่อยากใช้เงินถ้าเราใช้เงินกับของที่จาเป็นจริงๆนี่เราจะไม่เดือดร้อนเราจะมีเงินพอใช้เราก็จะไม่ต้องไปทำบาปกันนี่คือวิธีที่จะทำให้เรากำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปในขั้นที่สอง ก็คือการไม่ทำบาปถ้าเราไม่ทำบาปแล้วใจเราจะทุกน้อยลงทุกน้อยกับคนที่ทำบาปรับประกันได้ลองไปถามคนทำบาปคนที่ไปโกหกหลอกลวงกับคนที่ไม่โกหกหลอกลวงใครจะสบายใจกว่ากันคนที่โกหกหลอกลวงก็กลัวเดี๋ยวจะถูกเขาจับได้ไปโกหกแม่ดู่ยใจจะดูจะสบายใจไหยไปขโมยเงินแม่ดูแล้วจะสบายใจหรือเปล่า ทำไมต้องขโมยด้วยเพราะอยากได้เงินเพราะไม่รู้จักใช้เงินะถ้ารู้จักใช้เงินนี้จะไม่ต้องไม่ต้องขโมยเงินถ้าใช้เงินเฉพาะเลี้ยงดูร่างกายนี้ไม่จะมีเงินพอใช้กันไม่ต้องไปขโมยไม่ต้องไปทําบาปกันนี่คือความทุกข์ที่เกิดจากการทําบาปเราก็ต้อง ถือศีลกันรักษาศีลห้ากันให้ได้เราวขั้นที่สามพอเรารักษาศีลได้ขั้นต่อไปเราก็ต้องมาหยุดความอยากความอยากนี่มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากความคิดของเราเนี่ยพอเราคิดถึงอะไรเราก็อยากได้ขึ้นมาคิดถึงเงินก็อยากได้เงินคิดถึงแฟนก็อยากได้แฟนคิดถึงรูปก็อยากจะดูรูปคิดถึงเสียงก็อยากจะฟังเสียงกัน ถ้าเราหยุดคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้ได้ความอยากก็จะหายไปวิธีจะทำให้ความคิดหยุดไปทำยังไงก็ต้องใช้สติสติเกิดขึ้นได้อย่างไรก็เกิดขึ้นด้วยการรนลึกรู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นอยู่กับพุโทโธให้รู้อยู่กับพุโทโธคำเดียวเนี่ยลองคิดพุดโทโธไปทั้งวันดูสิแล้วมันก็จะไปคิดถึงเงินทองไม่ได้คิดถึงแฟนไม่ได้คิดถึงอะไรไม่ได้ อไม่คิดถึงมันมันก็เลยไม่เกิดความอยากขึ้นมาแล้วใจก็จะเย็นจะสบายเวลาไม่มีความอยากใจจะสุขใจสบายใจจะอยู่เฉยๆได้อันนี้หละถ้าเราสามารถควบคุมความคิดได้ไม่ให้ไปคิดให้เกิดความอยากได้เราก็จะอยู่อย่างสบายเวลามีความอยากเราก็หยุดมันได้ เวลาอยากให้เขาไปเราก็หยุดมันได้ถ้าเขาไม่ไปก็ 1970, ให้เขาอยู่ไปเวลาเขาไปแล้วอยากให้เขากลับมาก็หยุดความคิดนั่นเสียพอหยุดความคิดว่าอยากจะให้เขากลับมามันก็จะไม่อยากาเขาไม่กลับมาเราก็ไม่เดือดร้อนเวลาเขาอยู่ถ้าเราไม่ไปคิดให้เขาไปเราก็ไม่เดือดร้อนนี่แหละถ้าเราสามารถควบความคิดได้เราจะสามารถควบคุมความอยากได้ แล้วถ้าเราควบคุมความอยากได้เราก็จะควบคุมความทุกข์ได้เราจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปเวลาแก่เราก็ควบคุมความอยากไม่แก่ได้ไม่ให้มันเกิดขึ้นมาแก่ก็ปล่อยมันแก่ไปเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ควบคุมความอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยได้ปล่อยให้มันป่วยไปเวลาตายก็ควบคุมความอยากไม่ตายได้ปล่อยให้มันตายไปได้เราจะไม่ทุกข์กับอะไรเลย ต่อไปถ้าเราสามารถควบคุมความอยากได้แต่การจะควบคุมความอยากนี้ได้เราต้องเริ่มจากง่ายไปหายากขั้นต้นก็ควบคุมเรื่องความอยากที่จะใช้เงินให้ได้ก่อนถ้าควบคุมความอยากที่จะใช้เงินได้ต่อไปก็ควบคุมความอยากที่จะไปทำบาปได้แล้วพอเราควบคุมความอยากที่จะไปทำบาปได้ต่อไปเราก็จะหยุดความอยากได้ เราก็จะใช้สติพุโทโธพุโทโธหยุดความอยากต่างๆได้แล้วพอไม่มีความอยากเราจะไม่มีอะไรมาทำให้เราทุกข์อีกต่อไปเพราะตัวที่ทำให้เราทุกข์ไม่ใช่อะไรต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ตัวที่ทำให้เราทุกข์ก็คือความอยากของเรานี่เองดังนั้นถ้าเราสามารถหยุดความอยากต่างๆได้เราก็จะไม่ต้องมีความทุกข์อีกต่อไปนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้า มีสองขั้นตอนขั้นตอนแรกสอนให้เรารู้ว่าความทุกข์ของเราเกิดจากอะไรแล้วขั้นตอนที่สองก็สอนให้เราวิธีหยุดความทุกข์นี้ว่าหยุดได้อย่างไรให้หยุดด้วยความห ย, ยุดหยุดความอยากต่างๆแล้วการจะหยุดความอยากต่างๆนี้หยุดได้อย่างไรก็หยุดได้ด้วยการใช้เงินให้มันถูกต้องอย่าไปใช้เงินแบบไม่ถูก uh. ใช้เงินกับสิ่งที่จําเป็นอย่าไปใช้เงินกับความอยาก แล้วก็หยุดการทำบาปแล้วก็มาหยุดความคิดสามข้อนี้เท่านั้นเองถ้าทำได้แล้วต่อไปเราจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปนะนี่คือธรรมะธ ร, รสอนของพระพุทธเจ้าที่มาก็มาหาธรรมะกันก็เลยต้องพูดธรรมะให้ฟังจะชอบฟังหรือไม่ชอบฟังก็ไม่รู้แหละถ้าไม่ชอบวันหลังก็ไม่มาถ้าชอบเดี๋ยวก็มาอีก ก็เอวังก็มีด้วยประกาลัชนีจะขออนุโมทนาให้พรยาถาวาริวาหาปุราปาริปุรนติสาคลังเอวะเมวะอิตูทินังเปตานังอุป ก, ปกัรปดิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิ ป, ปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะราโสยธามณิโชติหราโสยธาสัพพิติโอวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทิขายุโกภวะอภิวาทานศีริสะนิจังวุฒาปจายโน จตารธัมมาวัฏติอายุวโนสุขังภาลางอาสาธุขอให้มีนักเรียนมาเรียนเยอะๆน ะ, อะขอให้มีกันเยอะๆแต่ยา่ามอาเนไปใช้ตามความอยากเอาไปทำบุญเอาไปเก็บไว้เรื่งปากเรื่งทองนะปันข้างหน้าจะไม่ได้เดือดร้อน ได้นำตัวเองหน่อยลมามาจากที่ไก่ค่ะมาจากอเมริกาชื่ออะไรชื่อนมินมิอ่เป็นคนไทยเลยเป็นไทยอ่าแล้วไปอยู่ตั้งแต่เด็กเลยพ่อแม่อยู่ที่ไหนเรียนจบแล้วบอกตที่ไหนแล้วทำอะไจบที่ไหนจบที่ซีเดว i สค่ะเดวิส UC เดว i สจบคณะอะไรคณะ f i b e ไฟเบอร์คอมมิซันอ่าล้วจะกลับไปทำงานที่อเมริกาค่ะเราจะสอบ พยายามเข้าเหมาะเรียนเหมาะันเดวิสนี่อยู่ใกล้ซัคราเมนโตใช่ไหมค่ะแลาวก็จบจากเฟร s โนสเต็กรู้จักไหมรู้จักค่ะบปีเจ็ดสองหนึ่งเก้าเจ็ดสองเกิดหรือยังยังไม่ได้เกิดนะไม่ได้ไม่กลับมาแล้วหรอกค่หลานค่ะหลานพ่อแม่เขาไม่ได้มาเลย พ่อแม่ก็ไม่ได้มาคแล้วเขาไม่ค่อยได้ปภิบาลทำก็เต้องพามาเดี๋ยวหนูไปเอาหนังสือธรรมะของเราเป็นภาษาอังกฤษอยู่ที่ตรงนะพรุ่งนี้เช้าจะพามาใสาบ่บาทเดินที่ท่นลงสองแปดมงมีหนังสือชื่อ my way ลองไปเปิดดูเป็นเกี่ยวกับไบโอกราฟีของเรานะเดี๋ยวมีหนังสือภาษาอังกฤษหลายเล่มถ้าอยากชอบอ่านเล่มไหนก็หยิบไปได้มีหลายเล่ม เขาชอบทานอาหารชอบทานอหารไม่เป็นไรยังดียวอย่าไปชอบยาเสพติดก็แล้วกั น, นอาหารไม่ไม่ไม่อันตรายเหมือนยาเสพติดนะอย่าไปเสพยาเสพติดนะที่อเมริกาเสพกันเยอะอันตรายนะอาหารอย่างมากก็ทําให้เราอ้ว น, นแต่ยาเสพติดนี้ทําให้เราตายนะอย่าไปแตะต้องเลยน ะ, น ะ, น ะ, นะมีเวลาอยากจะถามหรเปล่า You want to ask anything in English? No. Nothing. Okay. Maybe later. We read, read, read my books first. Then maybe later you might want to ask question. Okay. No. So have you got a job yet? No. Not yet. No. So what you what this kind of job you have to work with? No, just make more fun. Yeah. a market s a l l Very 麻烦 Very 麻烦 or อาชีพที่เรียนมานี้หายหางานยากเลยหนมจริงๆหนูอยากจะเมเจอหมอคฟันแต่ที่นั่นมันไม่มีเขาไม่ได้ทําอย่างประเทศไทยอ๋อต้องเรียนเขาเลือกที่หลังใช่ไหอ๋อแล้วจะเรียนที่เดิมเลยไม่ค่ะจะเรียนที่อื่นเพราะที่รู่นหนูไม่มีต้องไปยื่นสมัครอีกรอบหนึ่งเหมือนเมืองไทยเมืองไทยเขาเรียนหลังจากไฮสคูลเขาเรียนต่อเลยที่นั่เขาต้องจบสี่ปีก่อนแล้วก็ต้องไปสมัครหมออีกทีหนึงต้องได้ B A S ก่อนนะใช่อใช่ ล้วอยากไปเรียนที่ไหนก็ที่ไหนก็ได้ที่ไหนกีไ่ะอ่าดีอ่าดีก็พยายามนะโอเคขอให้สมหวังขอให้ได้ตามที่ปรารถนานะเดี๋ยวนูไปหยิบหนังสือเดี๋ยวให้คนหนึเข้ามาต่อนะวันนี้ทางเฟ o บ k YouTube เข้ามาเท่าไหร่ f a c บุ o o ส3มรอยสาสิเจดค่ะยูทูบเจ้าสิบเจ็ดค่ะวิทยุสองค่ะอินสตาแกร1หนึ่งแล้วลายตอนนี้ 5,000 ันกว่าห้าพันสอง้อยห้าสิบสี่ค่ะ 5,254 ันอาันนี้ตอนนี้เฉลี่ยคนฟังอยู่ทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่เมื่อวันจันมาจนถึงวันนี้อยู่ที่ประมาณ5 2ารอยี่สิบคนต่อวันนะครับต่อวันสูงกว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วประมาณ6กิบคนแล้วก็เท่ากับอาทิตย์ก่อนหน้านู้นะฮะที่ก่อนหน้าเราคิดว่าอาทิตย์เพราะว่ามสัญญา แต่น่าจะเป็นเพราะว่าคนมาเที่ยวใช่ไมใช่มันก็ต้องเฉลีย่ยเอาดูเอาประมาณถ้าร้อยโดยโดยประมาณจะมีประมาณห้าอก็ไม่ก็ไม่ก็คุ้มค่าเลยอ่ะถ้าพูดแล้วมีคนฟังแค่สองสามคนที่มันเหนื่อยฟังพูดทีมีคนฟังเป็นร้อยมันก็ทําให้หายเหนื่อยเหมือนตกปลาเนี่ยไปจับปลาเหวยงหาเนี่ยถ้าได้ทีเดียวตัวสองตัวเนี่ยมันเหนื่อย กนได้ทีมันเป็นสิบนี่มัน่มีใครอยากจะถามคําถามไหมตอนช่วงนี้เป็นช่วงถามถามคําถามถามได้ถ้ามีคําถามฟังแล้วไม่เข้าใจอยากจะให้อธิบายอะไรเพิ่มขึ้นก็ได้นะถ้ายังไม่มีก็จะให้ทางบ้านที่เขาส่งคําถามเข้ามาได้ถามก่อน เอาภาษาจิตก่อนนี้ไหมวันนี้จิตไม่มีค่ะวันนี้ไม่มีนะเอภ า, าษาไทยถ้าไม่มีภาษาจิตกฤ้าวภาษาไทยคําถามกระทุณปาลิชาติค่ะลูกอยากจะเรยียนถามสามีของลูกบนบวชเอาไว้เมื่อตอนลูกป่วยหนะักแต่ไม่สามารถบวชได้เนื่องจากเขาไม่มีบัตรประชาชนาข้อหนีทหารเรามีวิธีแก้บนได้อย่างไรคะ ก็เราไปบนในสิ่งที่เราทำไม่ได้มันก็เป็นแก้อย่างไงอ่ะก่อนที่จะบนมันก็ต้องดูว่าเราสามารถที่จะทาตามที่เราบนได้หรือเปล่าอย่างนี้ก็เป็นเหมือนกับการโกหกหลอกลวงเหมือนกับไปกู้เงินเข้ามาแล้วบอกว่าจะใช้เขาเนี่ยแล้วพอถึงเวลาก็ไม่มีความสามารถที่จะหาเงินมาใช้เขาได้มันก็ต้องติดคุกติดตารางเท่านั้นน่ะคนที่บนแล้วก็ไม่สามารถ แก่บุได้ต่อไปไปบุญอะไรก็ไม่ได้อีกแล้เพราะเทวดาบอกโกโหกเลยว่าใช่ไหม อ, อย่างนั้นก็ต้องถ้าอยากจะอะไม่ให้ไม่ให้เกิดโทษเราก็ต้องไปทําตามที่เราบุญไว้ไม่มีบัตรประชาชนก็ไปหามาสิใช่ไหมบัตรประชาชนมันก็ต้องมีกันทุกคนแหละจะมาอ้างว่าไม่มีบัตรประชาชนไดไ้แล้วจะอยู่ได้ไงในเมืองไทยถ้าไม่มีบัตรประชาชน มันก็ต้องไปขอบัตรจะไปทําบัตรใหม่มันจะสักกี่มันจะไม่ยากยุ่งยากตรงไหนความมากง่ายมากกว่ามั้ถึงไม่คือบนอะไรแล้วพอได้แล้วทีนี้ก็หาข้ออ้างที่จะไม่ไปแก้บนต่อไปบนอะไรก็ไม่ได้แต่ผู้ต่างความจริงแล้วบนหรือไม่บนไม่เกี่ยวกันหรอกมันจะได้ไม่ได้มันไม่อยู่ที่บนหรือไม่บนหรอกเวลามันจะได้บนไม่บนไม่บนมันก็ได้ เวลาไม่ได้บนมันก็ไม่ได้เรื่องบนไม่เกี่ยวกันะแต่ที่พูดนี้มันที่มันต้องพูดเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องสัจจ ะ, ะความจริงใจความไม่โกหกหลอกลวงอันนี้เป็นตัวที่พูดถึงไม่ได้หมายถึงว่าเรื่องบนเรื่องไม่บนได้หรือไม่ได้ตัวที่เราต้องแก้คือความการไม่มีสัจจะนี้ให้ได้ เพราะถ้าไม่มีสัจจะเราจะทำอะไรในชีวิตให้มันสำเร็จรุ่งเรื่องไปไม่ได้ตั้งใจจะทำอะไรไว่าเดี๋ยวพอถึงเวลาจะทำก็ล้มเหลวไปเพราะไม่มีสัจจะนี่คือเรื่องของสัจจะเวลาบนอะไรแล้วต้องรักษาสัจจะไว้ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วต่อไปมันจะทำอะไรไม่ได้เช่นปีใหม่จะตั้งสัจจะ ก, ก, กันเลิกกินเหล้าเลิกได้สองวัน เดี๋ยวก็พออยากขึ้นมาก็หยุดแล้วต้องกลับไปกินแล้วแต่ถ้ามีสัจจะเราก็ฝืนมันเพราะเราตั้งสัจจะไว้แล้วเราจะไม่เป็นโคคนไม่มีสัจจะคนไม่มีคนโกหกหลอกลวงเราก็ต้องทําตามที่เราตั้งไว้ชีวิตของเรานี่จะไปไหนมาไหนได้นี่จะไปสู่ที่สูงได้ต้องมีอธิษฐานมีความตั้งใจตั้งใจทำในสิ่งที่ดี ตั้งใจแล้วการกระทำสิ่งที่ไม่ดีพอมีความตั้งใจแล้วเราก็ต้องมีสัจจะเ ต, ต้องรักษาความตั้งใจเราไว้ตั้งใจจะไม่กินเหล้าก็ต้องไม่กินเหล้าถ้ายังรู้ว่าจะต้องกินเหล้าอยู่ก็อย่าไปตั้งตั้งใจว่าจะไม่กินเหล้าเพราะมันจะหลอกตัวเองแล้วมันจะทำให้ทาไม่ได้ประโยชน์ไม่ไม่สเร็จแล้วมันก็จะหลอกลวงตัวเองไปเรื่อยทุกปีใหม่ก็ตั้งสัจจะว่าจะไม่กินเหล้า นะพอไม่กี่วันก็กลับไปกินเหล้าใหม่ลืมลืมว่าได้ตั้งสัจจะไว้ประโยชน์ที่จะได้จากการตั้งอธิษฐานก็ไม่ได้เพราะไม่มีสัจจะเน้นต้องมีสัจจะดูพระพุทธเจ้าท่านตั้งสัจจะอธิษฐานตามที่นั่งใต้โคนต้นโพเนี่ยว่าจะนั่งอยูต่ตรงนี้จนกว่าจะตัดชะลถ้ายังไม่ตัดชะลุจะไม่ลุกจากที่นี่ไปโดยเด็ดขาด ถ้าเลือดในร่างกาจะเหือดแห้งไปท่านก็จะให้มันแห้งไปแต่ถ้าท่านจะไม่ลุกจากที่นี่ไปจะลุกก็ต่อเมื่อได้ตัดสลูแล้วได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วทำให้ท่านต้องสู้เพราะเวลานั่งแล้วมันจะทุกข์มันจะทรมานมันยากเหมือนคนกินเหล้าเนี่ยพออยากกินเหล้าเนี่ยมันจะทุกข์จะทรมานถ้าไม่สู้มันจะสู้ไม่ได้แต่ถ้าสู้ใช้ขันติใช้ความอดทน เดี๋ยวมันก็ชนะได้เดี๋ยวความอยากเ<ม>ดิมซูลามันก็จะหมดกำลังไปเราก็จะเลิกเดิมซูลาได้ส<ม>ำหรับพระพุทธเจ้าท่านก็เลิกความอยากทั้งหมดได้ท่านก็เลยดับความทุกข์ต่างๆได้หมดอนนี่คือเรื่องของการตั้งสัจจะเวลาเราโบนะไรนี้เราแสดงว่าเราได้ตั้งสัจจะไปแล้วถ้าเราไม่มีสัจจะเราก็จะกลายเป็นคนอ่ะ ล้มเหลวเป็นคนดอกรวงทําอะไรกับใครก็จะไม่สําเร็จไปสัญญากับใครไว้พอไม่ทําตามสัญญาต่อไปเขาก็ไม่อยากจะอะทําอะไรกับเราแล้วเพราะว่าไว้ใจไม่ได้เชื่อถือไม่ได้ไม่มีเครดิตโยมมีอะไรหรปที่ขึ้นมาไม่มีนะอะอะก็ต่อไป หากเราทำการเกษตรและใช้วิธีธรรมชาติในการควบคุมศัตรูพืชเช่นใช้ตัวข้ามตัวเบียนใช้เชื้อราแบคทีเรียรเราจะผิดศีลหรือไม่ครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราไม่เจตนาจะฆ่าเขาหรือเปล่าอันนี้ก็บางทีอาชีพ บ, บางอาชีพถ้ามันจาถ้าถ้าคิดว่ามันเสี่ยงต่อการผิดศีลก็อย่าไปทำมันเป็นอาชีพเบื่ อาชีพที่ไม่เสี่ยงก็คือมาเป็นพระเนี่ยอาชีพต่างๆมันก็เสี่ยงเั้านั้นอ่ะไม่มากก็น้อยดัง <laughs> นับางทีก็ต้องยอมรับว่ามันอยู่ในโลกนี้มันก็ถ้าผิดเล็กๆน้อยๆก็ไม่ก็โทษมันก็น้อยพูดง่ายๆดีกว่าเราจะทำให้มันไม่ผิดเลยรนี่มันก็คงจะยากก็พยายามอย่าไปผิดไอ้ข้อใหญ่ๆก็แล้วกันโทษหนัก คำถามต่อไปจากลาวนะคะประเทศลาวค่ะขอให้พระอาจารย์อธิบายวิธีเข้าสมาธิและขั้นของสมาธิตั้งแต่ชั้นหนึ่งถึงสี่แบบย่อๆให้หน่อยค่ะอ๋อวิธีเข้าสมาธิก็ให้หยุดความคิดเนี่ยดยการใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องอะไรนั่งแล้วหลับตาแล้วก็พุทโธพุทโธไปแล้วเดี๋ยวมันก็เข้าสู่ชั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เอง มันเราไม่ต้องไปรู้ว่าชาั้นที่หนึ่งเป็นยังไงที่สองเป็นยังไงที่สามเป็นยังไงขอให้มันถึงที่สี่ก็พอที่สี่ก็คือจิตจะนิ่งจะสงบจะเบาจะมีความสุขมากจะเป็นอุเบกขาจะไม่มีความรักชังกลัวหลงอยู่เวลาถึงชั้นขั้นที่สี่ก็ให้อยู่ตรงนั้นแช่ไว้นานๆอย่าไปดึงมันออกมาอย่าไปดึงออกมาพิจารณาปัญญายังไม่ใช่เวลา เวลาจะพิจารณาปัญญารอให้ออกจากฌานก่อนออกจากสมาธิก่อนเวลาเข้าสมาธินี้ไม่ต้องการพิจารณาต้องการให้มันแช่อยู่ในฌานนานๆเพื่อจะได้มีกำลังมากๆแล้วสิ่งที่เราต้องการก็คืออุเบกขาความไม่ลักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงอันนี้ถ้าเราแช่นานๆมันก็จะติดมากับใจเราเวลาเราออกจากสมาธิเวลาเราเห็นอะไรเราก็จะไม่ลักไม่ชังไม่กลัวไม่หลง แล้เราก็จะสู้กับกิเลสได้เวลาจะอยากได้อะไรมันก็ไม่อยากเพราะมันไม่รักที่มันรักที่มันอยากเพราะมันรักถ้ารักถ้าชอบอะไรมันก็อยากจะได้ขึ้นมาถ้าชังก็อยากจะให้มันหายไปแต่ถ้าเรามีอุเบกขามันก็จะเฉยๆอยู่กับสิ่งต่างๆได้อยู่กับสิ่งที่เราไม่ชอบได้นะแล้วก็สิ่งที่เราชอบเราก็ไม่มีมันก็ได้ไม่เดือดร้อนพยายาม เข้าสมาธิแล้วให้อยู่ในฌานสี่นานๆเวลามันนิ่งสงบสักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาเนี่ยเรียกว่าฌานสี่ฌานที่หนึ่งก็มีวิตกวิจารวิตกวิจาร์ ก, ารก็คือยังพุโทโธอยู่คำว่าพุโทโธนี่คือวิตกวิจารจิตเราวิตกอยู่กับคำว่าวิตกก็คือแปลว่าติกึกวิจารแปลว่าตรองเราตึกอยู่กับพุโทโธติึกกับตรองอยู่กับพุโทโธ ใจเราไม่ไปคิดเรื่องอื่นอยู่กับการตึกตรองอยู่กับพุทธโธพุทธโธถ้ า, าตึกตรองแล้วความคิดก็จะเบาลงใจก็จะเกิดความสุขขึ้นมาเกิดปิติขึ้นมานี่ก็คือผลที่จะเกิดจากการที่เรามีพุทธโธพุทธโธนำไปเั้นเวลานั่งเราไม่มานั่งคิดมานั่งวิจาร์ว่าตอนนี้เราอยู่ชานที่หนึ่งหรือชานที่สองเหมือนเวลาเราขับรถนี่บางทีเราไม่สนใจว่ามันจะเกียร์ไหนใช่ เวลาถ่าต้องเปลี่ยนเกียร์ก็เปลี่ยนฉะนั้นเราไม่ต้องไปสนใจว่าเราอยู่ชานไหนชานที่สองชานที่สามขอให้มันรู้ว่ามันถึงชานที่สี่ก็พอชานที่สี่ก็คือจิตนิ่งสงบสักแต่ว่ารู้มีความสุขมีโอเบขาแล้วก็พยายามรักษามันไว้อยู่ตรงนั้นอย่าให้มันออกมาถ้ามันอยากจะออกมาก็ใช้พุโทโธดันกลับเข้าไปใหม่ให้มันอยู่จนกระทั่งเรา อยู่มันสู้มันไม่ไหวมันอยากจะออกมาก็ค่อยปล่อยมันออกมาแล้วก็พยายามกลับเข้าไปใหม่กลับเข้าไปบ่อยๆกลับไปเรื่อยๆต่อไปเราจะได้มีอุบเบกขาตลอดเวลาแล้วเราจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงกับอะไรทั้งนั้นอยู่คนเดียวได้อยู่โดยไม่มีอะไรได้ เมื่อเราพูดอะไรออกไปเหมือนใจเราคิดแต่ไม่ได้ว่าใครเราแค่พูดในเรื่องของตัวเองไม่ได้มีเจตนาจะว่าคนอื่นแต่คนอื่นบอกว่าคนอื่นว่าเราว่าพูดไม่เกี่ยวกับงานว่าเราในต่อหน้าผู้คนทำให้เรารู้สึกผิดว่าไม่น่าพูดเลยทำให้คิดว่าจะไม่พูดอีกแล้วเฉยๆดีกว่าขอคำแนะนำจากอาจารย์ค่ะ ก่อนที่เราจะพูดอะไรเราก็ควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนว่าพูดไปแล้วจะเกิดผลกระทบกับใครอย่างไรหรือเปล่าถ้าพูดไปแล้วทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเสียหายก็ไม่ควรพูดถ้าพูดแล้วทําให้เกิดประโยชน์กแต่พูดก็ค่อยพูดอันนี้เราต้องคิดก่อนที่เราจะพูดอย่าเราต้องฝึกนิสัยใหม่ก่อนจะพูดอะไรให้คิดให้รอบครอบก่อนแล้วค่อยพูดอย่าพูดอย่าพอคิดปั๊บก็พูดเลย แล้วเดี๋ยวเกิดผลเสียหายตามมาก็มาวุ่นวายมาเดือดร้อนมาเสียใจกันเอ้นหัดถ้าไม่รู้ว่าพูดยังไงถึงจะไม่เกิดโทษก็ให้ถือศีลข้อสัมมาวาจามีอยู่4ี่คำหนึ่งไม่ให้พูดปดพูดความจริงถ้าพูดความจริงไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดถ้าพูดความจริงแล้วทำให้คนอื่นเขาไม่พอใจก็อย่าไปพูดแต่อย่าเพพูดปด อย่าไปพูดลหลอกลวงสองอย่าไปพูดคำหยาบเวลาเวลามีอารมณ์นี่มันจะชอบปล่อยคำหยาบออกมาให้หาเอ้ยอย่างเงี้สัสตว์ต่างๆมันจะออกมานะงั้นต้องควบคุมอารมณ์ถ้าเวลามีอารมณ์ไม่ดีจะพูดคำหยาบก็หยุดอารมณ์ให้ได้ก่อนก่อนจะพูดอะไรสามอย่าพูดเพ้อเจ้อก็พูดเรื่องไร้สาระเรื่องนินทากาเล วิภากวิจารณคนนั้นเป็นอย่างนั้นดีอย่างนั้นช่วยอย่างนั้นเร็วอย่างนั้นอย่าไปพูดพูดเรื่องที่มีประโยชน์พูดเรื่องที่เป็นวิชาความรู้พูดแล้วคนฟังจะได้ประโยชน์พูดวิธีทากับข้าววิธีเย็บเสื้อผ้าวิธีอะไรต่างๆหรือพูดเรื่องธรรมะพูดแล้วคนฟังจะได้รับประโยชน์จะไม่มีโทษ แล้วข้อสุดท้ายก็อย่าพูดยุยงให้เกิดความแตกแยกสามัคคีกันเวลาใครเ้าโกรธกันอย่าไปยุเออดีไรใส่มันเลยเอามันเลยต้องบอกให้ให้อภัยกันนะอยู่ด้วยกันลิ้นกับฟันมันก็ต้องมีกระทบกันบ้างเป็นธรรมดารักษาความสามัคคีกันไว้ดีกว่าเพราะเราความสามัคคีนี้จะทําให้เราเป็นปึกแผ่นจะทําให้เรามีพลังถ้าเราแตกแยกแล้วเราที่จะ เราจะไม่มีพลังคนที่ไม่หวังดีที่คิดทำร้ายเราเขาจะทำร้ายเราได้อย่างง่ายได้ถ้าเราโกรธกันเกลียดกันทะเลาะกันไม่มีความสามัคคีกันยั้นอย่าไปพูดยุยงให้เกิดความแตกแยกนี่คือสัมมาวาจาสี่ประการด้วยกันก่อนจะพูดถามตัวเองว่าพูดจริงหรือไม่พูดคำหยาบหรือเปล่าพูดเพ้อเจอ้อหรือเปล่า พูดยุยงให้เกิดความแตกสามัคคีหรือเปล่าถ้าไม่ได้อยู่ถ้าถ้าถ้าถ้าไม่ได้อยู่ในเหล่านี้ก็พูดได้พูดแล้วทำให้เกิดความสุขขึ้นมาเกิดประโยชน์กับผู้อื่นกบพูดไปพูดความจริงก็พูดไปแต่ความจริงบางทีมันก็พูดแล้วอาจจะทาให้คนอื่นเา้าเสียใจก็ได้เราก็อาจจะยับยั้งไว้แต่ไม่ต้องโกหกก็เฉยๆไปพูดเรื่องอื่นไป อันนีเถามว่าเป็นหมอหมอคนไข้เก็ถามว่าเป็นอะไรถ้าบอกความจริงแล้วคนไข่รับไม่ได้ก็บอกว่าก็ยังไม่รู้อันนี้ก็โกหกถ้ารู้แล้วก็พูดไม่ได้ก็พูดว่าก็ต้องถามเขาว่าจะรับความจริงได้หรือเปล่าถ้ารับความจริงได้ก็จะบอกถ้ารับความจริงไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปรู้เลยอันนี้ก็ต้อง ก็ต้องพูดตามความจริงถ้าพูดความจริงไม่ได้ก็อย่าไปพูดคำถามจากคุณพิทักษ์ค่ะการให้ทานแต่ถ้าทําให้ใจเกิดความกังวลหรือความทุกข์ใจแก่เราในภายหลังถือว่าเป็นการให้ทานที่ผิดไหมครับผิดแล้วเพราะเรายังไปหนึ่งเราอาจจะไม่ได้คิดโดยรอบครบว่าเราให้นี้ให้กับใครอย่างไรพอให้ไปแล้วอาจจะมากังวลทีหลัง เช่นไปให้กับคนไม่ดีอย่างนี้เราก็อาจจะมากังวลว่าเราไม่น่าจะไปให้เขาเลยเหตุนี้ก่อนที่เราจะให้อะไรใครเราต้องมีความมั่นใจก่อนว่าเราให้แล้วมันเกิดประโยชน์ไม่เกิดโทษกับใครถ้าเราไม่มั่นใจเราก็อย่าไปให้เลือกที่ที่ให้แล้วเราสบายใจเรามั่นใจว่าเงินที่เราให้เขาไปแล้วเขาจะเอาไปทําประโยชน์บางที่เราให้ไปแล้วเรามา กังวลว่าเขาจะาไปทําประโยชน์หรือเปล่าก็าอาจจะไปเอาไปใช้ส่วนตัวหรือเอาไปใช้อะไรที่ไม่ได้เป็นไปตามเจตนาของการให้เราก็อย่าไปให้ต้องคิดก่อนทําอะไรต้องคิดให้รอบคอบก่อนแล้วมันจะได้ไม่มีปัญหาตามมาทําไม่ถ้าไม่มั่นใจไม่แน่ใจก็อย่าเพิ่งไปทำํำรอให้มีความมั่นใจแน่ใจก่อนค่อยไปทํา หรือถ้าอยากจะทำก็ทำแล้วก็ตัดใจไปทำไปแล้วขออยากจะคิดว่าเราช่วยเหลือเขาไปแล้วทีนี้เขาจะไปทำดีไม่ดีทำให้ทำก็เรื่องของเขาแล้วอย่างนี้เราก็จะสบายใจแต่ถ้าทำแล้วมาคอยกังวลไปเฝ้าดูว่าเขาทำตามที่เราเราเราอยากจะให้เขาทาหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าเขาไม่ทำเราก็จะเสียใจคำถามจากคุณสมทรงค่ะ การมอบร่างกายและดวงตาให้แกโ่โรงพยาบาลให้นักศึกษาแพทย์ดีไหมครับดีดีแต่ไม่ได้บุญนะบุญไม่มันไม่ได้เกิดคำว่าบุญก็คือความสุขใจของผู้ให้มันไม่เกิดเพราะมันไม่ได้ให้เพราะให้ตอนที่ตายแล้วตอนที่ตายคนที่ให้ไม่รู้แล้วว่าได้ให้หรือเปล่าถ้าอยากจะให้แล้วเกิดบุญคือความสุขใจต้องให้ตอนที่ยังไม่ตาย เช่นบริจาคายไปอันอย่างเรารู้ว่าเราได้บริจาคไตได้ช่วยเหลือชีวิตของคนอื่นเราจะมีความสุขใจขึ้นมาหรือการบริจาคเลือดอย่างเงี้ยอันนี้เป็นการให้แบบที่เรารู้แล้วเราจะได้บุญแต่ถ้าให้แบบที่เราไม่รู้นี้เราจะไม่ได้บุญเพราะตอนที่เราตายนี้เราทิ้งร่างกายไปแล้วนี้ใครจะไปทําอะไรนี้เราไม่รู้นล้ถึงแม้ว่าเราจะเขียนพินัยกรรมเขียนอะไรไว้มันก็ เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปทําตามที่เราเขียนหรือเปล่าเน้นถ้าอยากจะทาอยากจะให้แบบให้ได้บุญนี่ต้องให้ตอนที่ยังไม่ตายแม้แต่เงินทองก็เหมือนกันสมบัติเข้าของเงินทองถ้าอยากจะให้ลูกก็ให้ตอนที่ยังไม่ตายแล้วใจยังมีความสุขว่าตนเองได้เสียสละเงินส่วนนี้ไปให้เพื่อประโยชน์กับคนอื่นแล้วเราก็เกิดความสุขใจขึ้นมาเป็นบุญติดตัวล่อไปกับเราได้แต่ถ้าเราไม่ได้ให้ตอนที่เรา อยู่ไปชีวิตยอยู่เวลาเราไปเราไม่มีความรู้สึกสุขใจไปกับการให้นี้เลยยังถ้าอยากจะให้ก็ควรจะให้ตอนที่เรายังรับรู้ได้อยู่คําถามจากคุณมีมี่ค่ะถ้าเราให้อภัยแต่ลึกๆใจยังไม่ให้อภัยเพราะยังไม่อยากเจอหน้าอยู่ทํำยังไงดีคะก็ต้องฝึกใจต่อไปใจยังไม่เป็นอุบเบกขาต้องฝึกสติ คอยควบคุมความคิดอย่าไปคิดถึงใครให้อยู่กับความว่างให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปแล้วใจก็จะไม่มีความรู้สึกรักชังกลัวหลงต่อไปคาถามจากคุณวอเตอร์เมลอนค่ะหนูควรจัดการกับความตรณีถี่เหนียวกับเงินตัวเองอย่างไรดีคะถ้าเป็นพ่อแม่หนูยินดีให้หมดตัวแต่กับตัวเองหรือคนอื่นหนูงบมากเลยค่ะบางครั อยากกินแต่รู้สึกว่ามันแพงก็ไม่กล้าซื้อกินค่ะเป็นต้นค่ะก็ต้องมองว่าเงินทองนี่มีไว้เป็นสาหรับรับใช้เราเราอย่าไปรับใช้เงินทองเพราะเงินทองนี่มีไว้เพื่อให้เราอยู่อย่างมีความสุขถ้าเรามีเงินทองแล้วเราไม่ใช้มันก็เหมือนกับไม่มีเงมีเงินทองไปทำไมใช่มมีเงินทองก็ต้องมีไว้เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์กับเราหรือเกิดประโยชน์กับผู้อื่น แล้วเราก็จะมีความสุขแต่ถ้ามีแล้วหวงเก็บไว้ก็คิดถึงเวลาตายบ้างตายไปเราก็ เ, าเงินทองเหล่านี้ไปไม่ได้หามาถ้าเป็นแทบตายก็กลายเป็นของคนอื่นไปถ้าเราเราลืมความตายกันพวกที่ตนหนีนี่ลืมว่าตั ว, ตวเองจะต้องตายแล้วเงินทองที่มีอยู่นี้มากน้อยเพียงไรก็ไม่เกิดประโยชน์กับตัวเองเลยขณะที่อยู่ก็ไม่เป็นประโยชน์ขณะที่ตายก็ไม่เป็นประโยชน์ แต่ถ้าเอาเงินทองนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์เชน่นถ้าเอามาทําบุญนี้เวลาตายไปเราก็มีบุญติดตัวไปถ้าใช้กับร่างกายตามความเหมาะสมตามความจําเป็นร่างกายก็จะได้อยู่อย่างสุขสบายไม่ไม่อดอยากขาดแคลนดังนั้นต้องใช้เหตุผลถึงจะเอาชนะความตณีได้ว่ต้องมองว่าเงินทองนี้เป็นเป็นผู้รับใช้เรา เป็นคนใช้เราจ้างคนใช้มาแล้วปล่อยให้มันนั่งนั่งนอนๆอนทำไมใช่ไหมเมื่อจ้างคนใช้มาแล้วก็ใช้มันเลยใช้ให้มันกวาดถูบ้านเช็ดบ้านซักเสื้อผ้าทํากับข้าวเรามีเงินทองเราก็เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเราและกับผู้อื่นแตก่ก็ต้องให้รู้จักใช้พอประมาณต้องเผื่อเก็บไว้สําหรับวันข้างหน้าด้วยต้องรู้จักแบ่งเงินทองให้ใช้ให้เหมาะสมใช้สําหรับวันนี้แล้วเก็บไว้สําหรับวันข้างหน้า เราจะมีความสุขจากการมีเงินทองคำถามจากคุณตั้นนะคะถ้าเราเป็นคนที่โมโหง่ายและบางครั้งควบคุมตัวเองไม่ได้ก็จะอาละวาต้องทําอย่างไรถึงจะแก้ไขนิสัยนี้ได้คะก็ต้องฝึกสร้างสติขึ้นมาหัดพุดโทโธไปพยายามพุโทโธไปทั้งวันให้ได้ไม่ว่าเราทําอะไรที่เราไม่ต้องใช้ความคิดก็ อ, อย่าให้มันคิดให้มันคิดอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวเช่นกําลังอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟัน มันจะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่อง น, น, องนี้ก็ดึงมันไว้ให้มันอยู่กับพุทโธพุทโธไปหรือให้มันอยู่กับการทํางานของเราเรากําลังอาบน้ําก็ให้มันอยู่กับการอาบน้ํากําลังแปลงฟันก็อยู่กับการแปลงฟัน fun, อย่าปล่อยให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้น่คนนี้ถ้าเราควบคุมความคิดได้เราก็จะควบคุมอารมณ์ของเราได้เพราะอารมณ์มันเกิดจากความคิดของเราพอไปคิดถึงคนที่เราไม่ชอบก็เกิดอารมณ์ขึ้นมา พอไปคิดถึงคนที่เราชอบเราก็เกิดความกังวลขึ้นมาอีกเพระฉนั้นถ้าเราควบคุมความคิดได้เราก็จะไม่มีอารมณ์นหรือเวลาเราโกรธเราก็จะหยุดมันได้พอรู้ว่าเราโกรธปั๊บเราก็ใช้พุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้ไปคิดถึงคนที่ทําให้เราโกรธหรือสิ่งที่ทําให้เราโกรธพอเราไม่ไปคิดถึงความเรื่องที่ทําให้เราโกรธความโกรธก็จะหายไปเราคือจะควบคุมอารมณ์เราได้ งั้นเราต้องฝึกพุดโธให้มากมากเพราะถ้าเราไม่ฝึกถึงเวลามันจะทําไม่ได้ถึงเวลาโกรธมันจะหยุดไม่ได้เพราะมันไม่เคยทํามาก่อนไม่เคยใช้พุโทโธมาก่อนแต่ถ้าเราใช้พุโทโธพุโทโธไปทั้งวันนี้ต่อไปเวลาโกรธปั๊บนี่เราก็พุโทโธพุโทโธไปสองสามนาทีมันก็หายไปละคําถามจาคุณมงคลค่ะ ตามที่ผมเข้าใจว่าการรมเกิดจากเจตนาแต่ถ้าคนเสียสติหรือคนบ้าทาผิดศีลจะบาปไหมครับมันก็ยังมีเจตนาอยู่การจะทำอะไรนี้ต้องมีเจตนาการไม่มีสตินี้ไม่ได้เป็นเหตุที่จะทำให้ไม่มีเจตนาหรือไม่มีเจตนาการไม่มีสตินี้เป็นตัวที่จะทาให้เรายับยั้งเจตนาไม่ที่จะไปทำบาปไม่ได้ถ้าเรามีสติพอเรารู้ว่าเราจะไปทำบาปเราก็หยุดมันได้ ท่านยังไม่ให้ดื่มสุราไงเพราะดื่มสุราเนี้มันจะทำให้เร า, มาเมาขาดสติแล้วพอคิดจะทำบาปก็จะทำทันทีนั้นก็บาปอยู่ดีคนที่ไม่มีสติแล้วไปทำบาปก็บาปเพราะว่ายังมีเจตนาอยู่การกระทานี้ต้องทามันต้องเกิดจากเจตนาเป็นหลักนอกจากเป็นเหตุสุดวิสัยเช่นเราขับรถไปแล้วมีมามาวิ่งตัดหน้ารถนี้อันนี้ไม่มีเจตนาจะไปชนมา หมามันวิ่งมาชนเองมั น, ม, น, ม, นมันก็ช่วยไม่ได้ถือว่าเป็นอุบัติเหตุไปอันนี้ไม่บาปคำถามจามกคุณหมูค่ะใส่บาตรแล้วไม่ได้ขวดน้ำในวันนั้นสามารถกรวดน้ำอุทิศบุญกุศลในวันอื่นได้ไหมคะได้ถ้าเราเราก็ไม่ต้องใช้น้ำก็ได้การอุทิศบุญ น, นี้ไม่จำเป็นจะต้องใช้น้ำไม่มีน้ำก็อุทิศได้ด้วยการระลึกภายในจิตเรา เป็นขออุทิศ ส, ส่วนบุญนี้ให้กับบุคคลนั้นบุคคล น, นี้ที่ล่วงลับไปแล้วก็ได้แล้วแต่สงสารคนที่ก็รอสิเขาจะรอกินข้าวนี้พี่เราลืมส่งข้าวไปให้เขาอี่งนี้นเวลาท่าใส่บาศเสร็จปั๊บก็อุทิศไปเลยไม่ต้องรอไปบ้านแล้วไม่ต้องรอให้พระมาให้ศีลให้พรมันคนละเรื่องกัน เรื่องให้สีในให้พรของพระไม่เกี่ยวกับเรื่องอุทิศบุญพระจะให้ศีในให้พรหรือไม่เราก็อุทิศบุญได้เพนพอเราใส่บาตรเสร็จปับ๊บเราก็อุทิศไปเลยเขา อ, อุทิศบุญส่วนนี้ให้กับท่านนั่นท่านนี้ไปเขาก็จะได้รับทันทีเหมือนกับเรากดมือถือสมัยนี้โอนเงินใช่ไหมแล้วก็กดไปปับ๊บส่งปับ๊บเขาก็รับเข้าบรรัญชีเขาทันทีเลยเขาก็เอาเบิกไปใช้ได้นี่เราลืมไว้พรุ่งนี้ค่อยส่งไปนี่ เดี๋ยวเขาก็อดข้าวไปวันหนึ่งสิใช่ไหมงั้นอย่าลืมทําบุญแล้วรีบรีบอุทิศไปเลยจะได้ไม่ลืมทําให้มันติดเป็นนิสัยไปไม่ต้องมีน้ําอ น, น้ํานี่เขาทาเป็นตัวอย่างว่าเหมือนเป็นบุญไงเขาเปรียบบุญเหมือนน้าเวลาเราอุทิศบุญก็เหมือนเราเทน้ําไปจากจากใจเราไปสู่อีกใจห น, นั่นเองคำถามจากคุณสุนีค่ะ การที่เราใส่บาทแล้วเจอพระปอมที่อาศัยข้าเหลืองเรามาทราบที่หลังเราจะได้บุญไหมคะแล้วถือว่าเป็นการทําทานใหม่คะได้ก็เคิดว่าเป็นการให้ขอทานไปก็แล้วกันคําถามหมดแล้วค่ะหมดแล้วเนะี่ยเดี๋ยวรอให้เข้าเข้ามาใหม่ก่อนมีใครอยากจะถามอีกไหมที่ฟังแล้วไม่เข้าใจหรือ<ม>อยากจะถามคําถามอย่างอื่น ไหมมีคําถามใหม่เข้ามายังมีค่ะเวลาที่เร า, ากับคุณตะคุนค่ะเวลาที่เราภาวนาพุโทโธเพื่อระับอารมณ์ต่างๆในขณะที่คนอื่นคิดว่าเราโง่เนื่องจากไม่ยอมรับรู้อารมณ์ภายนอกแต่เมื่อเรารับรู้ความคิดเช่นนี้แล้วเรารู้สึกเสียใจยที่เขาไม่เข้าใจเราว่าเรากําลังทำอะไรอยู่และที่แย่ยไปกว่านั้นเขาทําให้เรารับรู้อารมณ์ภายนอกแล้วสัตว์ แล้วเขาสะใจคือเหมือนเรารู้สึกแพ้เรายิ่งเสียใจใจะคิดอย่างไรดีคะครับแล้วก็สแสดงว่าเราโง่กับเขา่สิเขาง่าแล้วเรายิ่ ง, งไปโง่กับเขาอีกคนฉลาดจะว่าจะรู้ว่าการเข้าข้างในเนี่ยเป็นเป็นวิธีที่จะทำให้เราสบายใจไม่วุ่นวายใจไม่ทุกข์ใจส่วนคนอื่นเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรเขาจะสะใจเขาจะอะไรก็เป็นเรื่องของเขาเราห้ามก็ไม่ได้ เราควรจะมองพฤติกรรมของคนอื่นเหมือนกับเรามองฝนฟ้าอากาศฝนฟ้าอากาศนี่เราห้ามได้ไหมห้ามไม่ให้ฝนตกได้ไหมห้ามไม่ให้แดดออกได้ไหมฝนจะตกแดดจะออกเราไม่เดือดร้อนใช่ไหมเราคนอื่นเขาจะทําอะไรเราไปเดือดร้อนทําไมเพราะเราไปมองว่าเขาไม่ ไ, มได้เป็นฝนเราไปมองว่าเขาเป็นคนเขาไม่ควรจะทําอย่างนี้แต่ความจริงเขาก็เป็นเหมือนฝนที่ก็ทําอย่างนี้ก็เพราะเขาต้องทําอย่างนี้ เขาเป็นเหมือนฝนที่ฝนตกเพราะว่ามันต้องตกที่คนเขาดูถูกดูแคลนเรา ด, ดูเพราะเขาต้องเป็นอย่างนี้เขาเป็นคนอย่างนี้เราจะไปให้เขาเป็นอย่างอื่นไม่ได้ <Yeah. S 1> ยันถ้าเราเข้าใจที่ว่าเขาเป็นธรรมชาติแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องไปหวังอะไรจากเขาเนี่ยเราไม่เราไม่ได้ไปมองว่าเขาเป็นธรรมชาติแล้ว เ, เลยหวังว่าเขาต้องเป็นคนดีเขาต้องมีความเมตตาไม่ดูถูกดูแคลนไม่สร้างไม่ ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนอันนี้เรามองผิดเราต้องมองว่าเขาเป็นเหมือนธรรมชาติเขาจะทำอะไรนั่นคือธรรมชาติของเขาเขาจะแกล้งคนอื่นก็เป็นเรื่องธรรมชาติของเขาเขาจะเบียดเบียนคนอื่นก็เป็นธรรมชาติของเขาเราจะไปหวังให้เขาไม่แกล้งไม่เบียดเบียนนี่ไม่ได้เหมือนกับเราจะไปหวังไม่ให้ฝนตกไม่ได้เราต้องมองทุกอย่างเป็นเหมือนกับเรามองฝนฟ้าอากาศแล้วเราจะได้ไม่ไปหวังอะไรจากเขา พอเราไม่หวังอะไรจากเขาแล้วเขาจะทําังไงเราก็จะไม่เดือดร้อนเราต้องคิดอย่างนี้พอเขาทําอะไรเราแล้วใจเราไม่สบายเราก็พุโทโธพุโทโธของเราไปนี่คือหน้าที่ของเราไม่ใช่หน้าที่ของเราไม่ใช่ไปไปหวังอะไรจากเขาหน้าที่ของเราก็คือหยุดความเสียใจของเราด้วยการบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปถ้าเราอยู่กับพุโทโธไปเดี๋ยวความเสียใจก็จะหายไป ต่อให้เขาเต้นแรงเต้นกาก็าเราให้เขาด่าให้ทขบทุบตีเราความเสียใจก็จะไม่มีในใจเราถ้าเราไม่ไปสนใจกับเขาแล้วไม่ไปสนใจกับการกระทําของเขาแล้วอย่างที่พุทธเจ้าสอนให้เราคิดอย่างนี้ว่าถ้าเขาไม่ชอบเราก็ให้คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ด่าเราถ้าเขาด่าเราก็ให้คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ตีเราไม่ทุบตีเราไม่ทำร้ายเราถ้าเขาทุบตีเราก็คิดว่าดีแล้วเขายังไม่ฆ่าเราะ ถ้าเขาฆ่าเราก็คิดว่าดีแล้วมันจะได้หมดเวรหมดกรรมหมดทุกข์กันไปเพราะทุกคนเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องตายกันทั้งนั้นอยู่ไปทําไมอยู่กับความทุกข์อยู่ไปทําไมก็ถ้ามันจะตายก็ให้มันตายไปถ้าเราห้ามมันไม่ได้ก็ปล่อยมันตายไปแล้วเราจะจะได้ไม่ทุกข์กับใครต่อไปคําถามจากคุณ อ, องค่ะผมมีปัญหามากครับ ทุกอย่างเกิดขึ้นพร้อมกับต้องแก้ไขปัญหาไปเรื่อยๆไม่จบสิ้นผมพยายามคิดว่าเป็นกรรมที่เคยก่อไว้และต้องชดใช้กรรมไปแต่ดูเหมือนปัญหาจะมาเรื่อยๆทั้งกายและใจเป็นทุกข์ใจเหลือเกินพยายามกลุ่มใจแล้วแต่ก็ไม่จบสิ้นสักทีครับก็เจอเปัญหาก็แก้ไปแก้ได้ก็แก้แก้ไม่ได้ก็ปล่อยมันไปท่านั้นเองอย่าไปอยากแก้ปัญหาทุกปัญหาให้ได้ ปัญหาบางปัญหาก็แก้ไม่ได้บางปัญหาก็แก้ได้ปัญหาไหนแก้ได้ก็แก้ไปปัญหาไหนแก้ไม่ได้ก็อยู่กับมันไปเดี๋ยวตายมันก็จบไปเองเดี๋ยวจบปัญหาเวลาตายไปปัญหาทุกอย่างก็หายไปเองอย่าไปอยากแก้ทุกปัญหาแก้ได้ก็แก้แก้ไม่ได้ก็อยู่กับมันไปแล้วจะไม่ทุกข์ใจจากคุณพรสวรรค์ค่ะ การที่เราสวดมนต์และมีบทแผ่เมตตาเราสามารถอุทิศส่วนกุศลพร้อมกันไปก่อนใส่บาตรได้ไหมครับไม่ได้หรอกเป็นคนละเรื่องกันแผ่เมตตานี่มันเป็นเรื่องของการมีความเมตตาต่อผู้อื่นไม่ต้องทำบุญก็แผ่เมตตาได้เช่นเราเจอกันแล้วยิ้มให้กันนี่ก็แผ่เมตตาแล้วไม่ใช่เจอกันแล้วแยกเขี้ยวใส่กันแยกเขี้ยวใส่กันนี่แสดงว่าไม่มีความเมตตา ถ้าเจอกันแล้วยิ้มให้การถามว่าสบายดีหรือเนี่ยแสดงว่าเรามีความเมตตาอย่างนั้นมันคนละเรื่องกันแล้วบทสวดก็ไม่ได้เป็นการแผ่เมตตาบทสวดเป็นการสอนให้เรารู้จักวิธีแผ่เมตตาเวลาเราเจอกันเวลาเราอยู่คนเดียวเราสวดบทแผ่เมตตานี้เราไม่ได้แผ่ให้ใครเป็นการสอนให้เรารู้จักวิธีแผ่เมตตาเพราะมีต้องสีสีลักษณะด้วยกัน วิธีหนึ่งก็คือไม่ให้โกรธการเกลียดกันไม่ให้จองเวรจองกรรมกันเวลาใครก็ทําอะไรให้เราไม่พอใจเราต้องให้อภัยเขานี่เรียกว่าแผ่เมตตาอย่าไปทำร้ายเขาเวลาเรามีของเหลือกินเหลือใช้ก็เอาไปแบ่งให้กั น, นเรียกอันนี้ก็แผ่เมตตาอย่างปีใหม่นี้เราส่งสกสอกันใช่ไหมแปลว่าอะไรส่งความสุขใช่ไหมเนี่ยสกสอก็คือการแผ่เมตตาส่งความสุขให้แก่ผู้อื่น มีของขวัญก็แจกกันไปส่งกันไปไม่มีของขวัญก็ส่งข้อความสั้นๆก็ยังดีแฮปปี้นิวเอเลคันนี้เขาก็ยิ้มล่ะเรอก็ได้ยินว่าเราคิดถึงเขาอยากให้เขามีความสุขเขาก็มีความสุขขึ้นมาการสวดนี่เป็นการสอนวิธีฝึกศึกษาวิธีแผ่เมตตาไม่ให้เบียดเบียนกันไม่จองเวรกันอไม่ไปทําร้ายผู้อื่นเวลาโกรธใครก็อย่าไปทุบตีเขาให้อภัยเขา เวลาใครไม่สบายใครเดือดร้อนก็ช่วยเหลือเขาอันนี้เราเรีกวิธีแผ่เมตตาเวลาสวยไม่ได้แผ่จะแผ่ต้องมีคนรับเนีเช่นเวลามาเจอกันตอนเนี้เราเจอกันเราก็ไม่มาไม่มาสร้างความวุ่นวายให้ต่อกันถ้าเรานั่งแล้วนั่งทำนูน่นทำนี่พูดโทรศัพท์ทำเสียงดังก็ไม่ได้แผ่เมตตาละแผ่ความไม่ดีให้กับผู้อื่นนะเพราะไปรบกวนผู้อื่น ผู้อื่นเขาจะนั่งฟังเทศฟังธรรมก็ฟังไม่รู้เรื่องเพราะเรามัวแต่พูดโทรศัพท์มัวแต่ส่งเสียงดังอันนี้ไม่ได้แผ่ถ้าจะแผ่เมตตาก็ต้องนั่งเฉยๆไม่ไปรบกวนผู้อื่นไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นนี่คือวิธีแผ่เมตตาส่วนการอุทิศบุญนี้ต้องเกิดต้องมีบุญขึ้นมาก่อนถึงจะอุทิศได้พอทาบุญปับ๊บก็เหมือนกับเราเอาเงินไปฝากธนาคาร พอเรามีเงินในบัญชีแล้วก็กดหมายเลขส่งไปให้กับคนที่เขาอยู่ต่างต่างที่ได้อันนี้ละเป็นการอุทิศบุญต้องมีบุญก่อนถึงจะอุทิศได้จะส่งเงินไปให้คนอื่นได้ต้องมีเงินในธน า, าคารก่อนต้องมีเงินในบัญชีก่อนถ้าส่งเงินไปโดยไม่มีเงินในบัญชีมันก็เด้งกลับมามันก็บอกว่าไม่มีไม่มีเงินนั้นการอุทิศบุญนี้ต้องทําบุญก่อนถึงจะส่งได้ ถึงจะอุทิศได้ไม่ใช่ไปอุทิศก่อนแล้วค่อยทําคําถามจากคุณอัครพลค่ะเวลาเราทําสมาธิแล้วพิจารณาธรรมเราจะพิจารณาแบบภาษาชาวบ้านได้ไหมครับบางครั้งก็ลืมภาษาธรรมเวลานั่งสมาธิไม่ใช่เวลาพิจารณาธรรมนะเวลานั่งสมาธิเป็นเวลาที่จะทําให้ใจหยุดคิดไม่ให้คิดอะไรไม่ให้พิจารณาอะไรให้ใจเป็นอุเบกขา สักแต่ว่ารู้เฉยๆนี่งันเวลานั่งสมาธิห้ามคิดห้ามพนะิจารณาธรรมทั้งหมดอย่าพิจารณาธรรมต้องทําตอนที่ไม่ได้นั่งสมาธิตอนที่ออกจากสมาธิมาแล้วด้วยทำทำได้ทั้งวันเลยเวลาไหนที่เราไม่นั่งสมาธินี่เราพิจารณาธรรมได้ตลอดเวลาเห็นใครก็บอกว่าเดี๋ยวมันก็ต้องตายเดี๋ยวมันก็ต้องแก่เดี๋ยวมันก็ต้องเจ็บเยเห็นร่างกายเราก็บอกเดี๋ยวเราก็ต้องแก่เดี๋ยวเราก็ต้องเจ็บเดี๋ยวเราก็ต้องตายพยนะิจารณานะี้เรียกพิจารณาธรรม พิจารณาความไม่เที่ยงทุกอย่างจะต้องมีวันจบนะครทำงานเดี๋ยวเ้าต้องลออกจากงานนี้จะไม่ทำไปตลอดชีวิตหรอกให้คิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆแฟนเราก็จะไม่อยู่กับเราไปตลอดแล้วทังวันหนึ่งก็ต้องจากกันลูกเราสามีเราภรรยาเราเงินทองเข้าของเราเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็ต้องมีการพัดผากจากกั น, นคิดแบบภาษาชาวบ้าใ้คิดอย่างนี้ว่าไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราไปตลอด สักวันหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างก็จะต้องมีการจากกันไปจากไปเร็วบ้างจากไปช้าบ้างจากตอนเป็นบ้างจากตอนตายบ้างแต่มันต้องมีการพัดพากจากกันให้คิดอย่างนี้เรื่อยๆมันจะได้ไม่หลงมันจะได้ไม่ทุกเวลาเกิดการพัดพากจากกันเพราะมันรู้ไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจะต้องจากกันแต่ถ้าไม่คิดเลยพอจากกันก็มาถาม house, ทําไมต้องจากกันด้วยทาไมต้องตายด้วยอ่ะก็มันมันเป็นอย่างนี้แหละความจริงมันเป็นอย่างนี้ จะไปให้มันก็ถามมันทํำไมทําไมต้องเป็นนี่คือความจริงของชีวิตที่เราไม่มองกันแล้วพอเกิดขึ้นมาเราตึงมาถามว่าทําไมทําไมมันไม่ทําไมละมันเป็นความจริงทุกอย่างในโลกนี้มีการเกิดแก่เจ็บตายมีการพดพรากจากกันพอเราไม่คิดมันเราก็เลยไปคิดว่ามันไม่มีคิดว่ามไม่เป็นกันแต่ความจริงมันเป็นตลอดเวลาไปกับทุกคนมันกับทุกสิ่งทุกอย่างงนั้นพยายามคิดอย่างนี้บ่อยๆแล้วเราจะได้ไม่หลงไม่ลืม แล้วพอเกิดจากการพัดภาคจากกันเราจะได้ไม่เสียใจเราจะไม่มาถามว่าทำไมเราจะรู้ว่านี่แหละคือความจริงมันจะต้องเป็นอย่างนี้สิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาต้องมีการดับไปเป็นธรรมดานี่คือปัญญาที่เราควรจะคิดกันแล้วชีวิตของเราจะไม่วุ่นวายชีวิตของเราจะไม่เสียใจไม่ทุกข์กับการพัดภาคจากกาันต่อไป คำถามเจ้าคุ้มสมหมายค่ะวัดใกล้บ้านมีปฏิบัติธรรมโยมเข้าร่วมด้วยแต่มีความรู้สึกเหมือนว่าตัวเองสับสนใจหนึ่งอยากไปร่วมทุกๆครั้งแต่ที่โยมปฏิบัติอยู่ดีอยู่แล้วแต่เหมือนต้องไปเริ่มต้นใหม่โยมก็ไม่ได้เข้าร่วมอีกใจหนึ่งก็ยังคิดว่าเราทําถูกต้องไหมคะถ้าเราปฏิบัติเองได้เราก็ไม่ต้องไปปฏิบัติกับคนอื่นการที่เราไปร่วมปฏิบัติเพื่อไปศึกษาวิธีปฏิบัติ ถ้าเราไม่รู้จักวิธีปฏิบัติเราก็ต้องไปหาคนที่เขาปฏิบัติเป็นแล้วสอนให้เขาสอนเราแต่ถ้าเราปฏิบัติเป็นแล้วเราก็ปฏิบัติของเราไปคนเดียวจะดีกว่าการปฏิบัติจะได้ผลมากก็อยู่ที่การที่เราปฏิบัติคนเดียวเพราะจะได้ไม่มีอะไรมาคอยรบกวนใจไม่ต้องมาคอยรอกันถ้าเราอยากปฏิบัติตอนไหนเราก็ปฏิบัติได้เลย ถ้าไปปฏิบัติพร้อมกันก็ต้องรอเวล า, เ, าเวลานี้มาปฏิบตัติเวลานี้ไปกินข้าวเวลานะไปอาบน้ามันก็จะไม่คล่องแคล่วว่องไวถ้าเราปฏิบัติเป็นแล้วปฏิบัติของเราคนเดียวดีกว่าไปหาที่สงบที่ไหนก็ได้แล้วก็ปฏิบัติของเราไปเลยคำถามจากจคุณเพนชานค่ะเมื่อเรามีเวลาส่วนตัวการที่เราอยู่กับพุโทโธอันนี้เป็นการให้จิตไม่ไปปรุงแต่งกับเรื่องภายนอกใช่ไหมคะอ่า ถ้าพุโทโธมันก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ถ้าไม่พุโทโธเดี๋ยมันก็ไปคิดคำถามจากคุณณพลค่ะการที่คนเราทำกิจการงานแล้วทะเลาะกันเถียงกันในหน้าที่กับเถียงกันทะเลาะกันเพราะอารมณ์ส่วนตัวโดยเอาหน้าที่มาอ้างเช่นนี้การกระทำใดมีกํรหนักกว่ากันครับ มันก็พอๆกันการทะเลาะวิวาสกันไม่ดีมันทาให้การทำงานไม่สำเร็จรู้เรื่องได้เพราะฉะนั้นอย่าทะเลาะวิวาสกันต้องใช้หลักเอาสงวนส่วนต่างประสานส่วนเหมือนถ้าเรามีความคิดเห็นที่ต่างกันก็อย่าเอามาทะเลาะกันเก็บไว้ของใครของมันเราชอบสีเขียวก็ชอบสีแดงถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ก็อย่าไปยืนยันว่าจะต้องเอาสีเขียวหรือสีดำปล่อยให้ใคร ให้คนอื่นก็เลือกเอาก็แล้วกันสีไหนก็ได้ถ้าถ้าเป็นไปได้ก็ปล่อยให้เขาไปยอมแพทย์ดีกว่ายอมหยุดเย็นแล้วจะสบายใจนะถ้าก็อยากจะเอาสีดำอาสีดำก็ดำวะแค่นี้ก็จบแต่ถ้าแต่ถ้าเห็นว่าสีดำมันมีเหตุไม่ดีก็บอกเขาว่าสีนี้ไม่ดีใช้แล้วมันจะไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรแล้วก็บอกตามเหตุผลไปเท่านั้นเองถ้าก็ไม่ยอมก็เราก็หยุด แล้วก็ปล่อยให้เขาไปแต่อย่างน้อยเราได้พูดของเราแล้วเวลามีปัญหาตามมาเราก็จะได้บอกว่าเราได้พูดแล้วเราเราได้ห้ามแล้วแต่เขาไม่ยอมก็ช่วยไม่ได้คำถามหมดค่ะลมก็เหนื่อยพอดีมีใครอยากจะถามอีกไหมวันนี้ก็มีคำถามเยอะได้ถามตลอดเลย